เชิญโยคยีทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบ<ๆ>กราบเรียนเชิญผู้แทนโยคยีทั้งสองท่านนะคะที่จะเป็นผู้แทนของโยคยีนะคะคุณประดิษฐ์แก้วเขียวนะคะและคุณดาราพรสุขคำพีรนนท์ค่ะด้านหน้านะคะ่ะ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะราตนะตาเยปะมาเทนะทวาราตาเยนกตะตังสัพพังอปาราทงางขามะตุนโนพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทวาราตาเยนกตะตังสัพพังอปาราทาง ธรรมะตุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอากุศลอันข่าพระเจ้าได้ประมาทพลาดครั้งล่วงเกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอท่านจงอดโทษโปรดอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในการต่อไปขดเชิญตัวแทนนะคะ ประคอพา้ให้ท่านพระอาจารย์ค่ะค่ะกระาบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกรากรา เชิญพุทแทนกลับที่นั่งกันค่ะราฐนาสินแปลดพร้อมกันค่ะ มายังพันเตติสารเนนนสหะอัจธาศีลานิยาจามะทุติยามปีมายังพันเตติสารเนนนสหะอัจธาศีลานิยาจามะตาติยามปิมายังพันเตติสารเนนนสหะอัจธาศีลานิยาจามะ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 นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสรังคังสระนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยามปีธรรมังสรนังขจามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจามีทุติยามปีสังคังสารนังขจามิทุติยามปีสังคังสารนังขจามีตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปีพุทธังสารนังขจามีตติยามปีธรรมังสรนังขจามี ตาติยามปีธรรมังสลาหนังขจามิตาติยามปีสังคังสลาหนังขจามิตาติยามปีสังคังสลาหนังขจามิติสารณาขมานังนิตทีตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิมิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภัมัจเรียเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอภัมมัจเรีย เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสุราเมระยะมัชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสุราเมรยะมัชปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโพชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิวิกาลโพชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวีสุกทัศนามาลาคันธวิเลปนาทารณมันดนาวิภูสนัถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิ นัจจคีตาวาธิตวิสุขทัศนามาลาคันทะวิเลปะนะภารณามันนาวิภูสนัานาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยานามหาสยนา เวลามณีศิขาประทาสมาธียามีอิมานิอัตศิกขาประธานนิสีเลนะสุขติงยันตี ส, สีเลนโภคาสัมประาาธานมีเลนนิิงยันตีตสมาสีลังวิโสทเยสาตุากราพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกรา กรากราค่ะต่อด้วยถวายอัตภาพนะคะพร้อมกันค่ะอิมาหังพันเตพัควาอัตภาวังตุมหากางปาริจชามี ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ขอมอบกายถวายอัตภาพร่างกายนี้แด่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอิมาหังพันเตอาจริย์อาจตภาวังตุมหากังปาริจชามิ ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อท่านพระอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพานาพานะสะเมพันเตสัจฉิกัลณฐายะกรมฐานนางเทหิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญโปรดให้พระกรรมฐานแก่ข้าพระเจ้า เพื่อกระทําให้ซึ่งพระนิพพานอุกาสะอุกาสะนาโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกและจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกทั่วทั่วพร้อมตลอดจนถึงความรู้สึกในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุ พระอาจารย์ค่ะกะลากระลากะลาขอกับอรรัฐนาท่านพระอาจารย์ ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อกูลแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการคอรสเมตตากรรมาฐานเจ้าค่ะและขอพระอาจารย์ให้หลักในการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนราสะโพเนเกษโซเบวีโซติงสะปารมีนามามิศิระสานิจังปุเรตวาอาคาโตวะรังโมขังนาโทภิชันโต ดาวยังฮิตวาสารทักังโมทังวเนสุดุการังนามามิสิราสะทรังตัสสะมูรังมหายานอุปเณสิโพธิมันเรตัสสะบุทสสะปาเดจจา สาพโพทยโยนามามิหังพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาติไม่ทวนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพพ้พระนราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพระนาถาเจ้าทรงปราถนาโมกษธรรม สระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแว่นแควนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถผู้ทรงทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าบพระผู้มีพระภาคทรงมีพยานอันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพฤกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยโพธิพึกนั้นด้วยเสียงก้าวเป็นนิดขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมร่วมกันในการที่จะทำกิจกรรมในการเจริญกุศลประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดา วันนี้ได้จัดกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลประพฤติปฏิบัติกันในโครงการปฏิบัติธรรมะต้องการมาเจริญพระกรรมฐานกันทั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงยังศรัทธาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลส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 ได้คลายจากราคาโทสะโมหะบรรเทาความมืดบอดคือโมหะได้ศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิเบธาเพื่อจุดหมายคือนุปาธาปรินิพานเมื่อสักครู่เราท่านทั้งหลายทั้งผู้ที่ดำเนินรายการเป็นต้นได้พาพวกเราทั้งหลายเนี่ยสมาทานบูชาพระรัตะนตรัย แล้วก็รับศีลแล้วก็ขอถวายตนแด่พระรัตนตรัยถวายตนแด่พระรัตนตรัยก็คือถวายอัตภาพโดยใจความที่บอกว่าข้าพเจ้ากระทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พระเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็ประกาศยืนยันว่าขอสงฆ์โปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากระทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้น ตราบเท่าชีวิตชีวิตเนี่ย ต, ตราบตราบเท่าเส้นชีวิตด้วยขอมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนําชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนําชีวิตขอมีพารียสงเป็นหลักนําชีวิตใจความเดียวกันนะแล้วก็บอกว่ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นขอเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิ์ของพาริยสง์แล้วก็ประกาศยืนยันว่าเป็นวันวันนี้เป็นวันเริ่มต้นว่าข้าพาจาเจ้าจะเคารพนอบน้อมเฉพาะวัตถุสาม คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะเท่านั้นจะไม่มีสิงส่งอื่นเป็นสาระจะไม่มีสิง mai, mai, mai, mai, mai, mai. ่งอื่นเป็นเครื่องยึดถือจะมั่นคงในพระรัตน์ไตรตราบเท่าสิ้นชีวิตหรือจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีววัยเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเป็นต้นนะฮะ อันนั้นเป็นการประกาศยืนยันความเป็นพุทธบริษัทที่มั่นคงแล้วก็เหนียวแน่นฟังแล้วน่าพิจิ่าชื่นใจใช่ไหมออวันนี้มีพระภิกษุมาร่วมฟังร่วมประพฤติปฏิบัติในการที่จะประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราประกาศตนเองถวายอัธภาพแด่ครัวอาจารย์ด้วยก็คือว่าจะทําตามครัวอาจารย์ที่ มาสอนมาแนะนำโดยไม่บิดเพลิ้วจะตั้งมัน่นทำอย่างจริงๆ จ, จังๆนะหนึ่งก็คือพูดจริงสองก็ทำจริงสามก็คือจริงใจถ้าพูดจริงทำจริงขาดความจริงใจเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมจาะนั้นก็อาตมาก็จะรับไว้ในฐานะที่เป็นพระสงค์น่าชื่นใจว่าพวกเราประกาศยืนยันกันอย่างนั้นก็หวังว่าคงจะได้เห็น การขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและชัดเจนใช่ไหมไม่บิดพลิยวไม่ออกนอกหลักคําพระธรรมคําสอนไม่ส่งใจไปตามอํานาจของตันหาและมานาทิฐิใช่ไหมพวกเรามีปัญหากันอยู่ในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายในที่เจ็บปวดในสังสารวัฏก็คือเราเป็นทาตของตันหามานาทิฐิเราเป็นทาตของกิเลสมายาวนานแล้วในสังสารวัฏ ความโลภต้องการอยากให้ทำมันอย่างไรแล้วก็ตามใจเขาความโกรธอยากให้เราเป็นอย่างไรแล้วก็ตามใจเขาความมืดบอดความลังเลสงสัยความพุ่งสร้างลำคาญใจเนี่ยมันกํากับควบคุมกระแสชีวิตให้เราเป็นอย่างไรเราก็ตามมันไปสรุปก็คือว่าในสังสารวัตที่ผ่านมานเรายอมตนถวายตนแ ด, ด่ตันหามนาทิฐิหรือโลภโทสะโมห oh ะ เมื่อเราถวายตนและยอมมอบตนแก่ตัณหามนตทิฏฐิเราก็ถูกมันกดขี่แล้วก็ผลักดันให้ทำกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพริยาเจ้าบาปปกรกรรมอาโมกทั้งหลายก็ไหลอยู่ในกระแสชีวิตแล้วเราก็จมติดอยู่ในสังสารวัฏจมอยู่ในอบายทุกติวินิบัตินรกบ้างจมอยู่ในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นบ้างแล้วก็ไม่สามารถออกจากกิเลสออกจากทุก ไม่สามารถออกจากชาติโทกพยาทุกมรณะทุกเป็นต้นได้นี่คือเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเพระบระมาศาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสคือทุกข์สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็ประกาศยืนยันว่าพระองค์เนี่ยมาเปิดทางที่ยังไม่มีใครเปิดมาชําระทางที่ยังไม่มีใครชําระ มาแผ่วถางทางนี้คือมัชฌิมาปฏิบัทาแล้วทางดําเนินที่จะนําไปสู่อนุ ป, ปาทาปรินิพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์พระเจ้าเนี่ยทรงชําระแผ่วถางทางนี้แล้วแล้วก็ทรงบอกทุกอย่างแก่เราทั้งหลายทรงบอกรายละเอียดบอกว่านี่นะไอตัวตัณหามันเป็นอย่างไรตัวอวิชชามันเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกวิธีการกาจัดตัณหามานตะทิฏฐิ ว่าจะกำจัดอย่างไรสอนวิธีการกําหนดรอบรู้ทุก์สอนวิธีการกําหนดละทุกขสมุทยัยสอนให้วางจุดหมายไปที่นิโรธก็คือนิโรธคือพระนิพพานแล้วก็ชาําระแผ่วทางทางทางดําเนินที่ไปสู่ความดับทุกข์และสิ้นทุกข์แล้วพระเจ้ายังปิดทางให้เราด้วยนะปิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิ บอกปิดเขาไว้ว่าทางนี้อย่าเดินแล้วก็ให้ดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดใช่ไหมฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่ากิจอันใดที่พระตถาคตพึงกระทําแก่เธอกิจอันนั้นพระตถาคตทําแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายน่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเป็นต้นเธอทั้งหลายจงไปเพียรเพ่งพินิจด้วยอารามณโอปนิชานและละัคนโอปนิชานนะ อย่าได้เป็นผู้มาเจ็บปวดหรือมาโศกเศร้าเสียใจในภายหลังนี่คืออนุสาสนีของเราที่พัมสอนแก่เธอทั้งหลายเป็นต้นใช่ไหมออพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าในวันนี้เราท่านทั้งหลายมาประกาศยืนยันในการที่จะเป็นนักรบในการที่จะต่อสู้กับกิเลสนี่เป็นการประกาศยืนยันนะถ้าเราถวายตนแด่พระพุทธเจ้ารพระธรรมพระยสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็น เป็นบุคคลที่ตัดสู้หรือชนะมารทั้งห้าได้ใช่ั้มโดยเฉพาะกิเลสมารมารคือกิเลสขันธมารมัจจุมารอภิสังขารมารแล้วก็เทวปุตุมารพทธเจ้าทรงชนะสงครามที่ชนะได้ยากที่สุดก็คือชนะกิเลสนี่แหละเรามาประกาศยืนยันในการเป็นพุทธบุตรพุท ธ, ธิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประกาศยืนยันนั่นเอง ใครที่มาขึ้นกรรมฐานหรือสมาทานกรรมฐานแปลว่ามามาตั้งมั่นในการที่จะลบกับกิเลสนะถ้าไม่ต้องการลบก็อย่ามาขึ้นอย่ามาสมาทานก็กลับไปอยู่กับเขาไปยอมจำนนกับเขาไปก็ก็ตั้งใจให้ให้จริงจังว่าเออเนี่ยเราเอาจริงไหมเนี่ยใช่ไหมพูดจริงไหมทําจริงไหมแล้วมีความจริงใจไหมเป็นต้นเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการลบการสู้กันจริงๆฉะนั้น ให้สังเกต ด, ดูที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกหลักการเนี่ยที่บอกว่าเอกายโนยังพิกเวมัคโคใช่ไหมทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดําเนินไปคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ถ้ามาสมาทานกรรมฐานหรือมาขึ้นกรรมฐานก็แปลว่าจักเดินไหมเนี่ยทางเนี้ยทางดําเนินไปสู่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ที่พรพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ทรงดำเนินไปทางสายเนี่ยสัตนานวิสุทธิยาบอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ข, ของเราสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสกรปรกด้วยราคาโทสะโมหะสกระปรกด้วยกายทยชนิตวจิจิตรชนิดมโนทจริดมีกิเลสอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายสิงอยู่ในกระแสของชีวิตก็คือทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญ, ญาณทําให้เปื่เปื้อนทําให้สกรปรกทําให้สัตว์นั้นไม่สะอาด แต่ถ้าหมูสัตว์ทั้งหลายปรารถนาจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเนี่ยก็ให้ดําเนินตามทางเส้นนี้สายนี้เข้ามาอาบน้ําคือพระธรรมโอสถของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะชําระล้างความโสโครกด้วยอํานาจของกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยให้บริสุทธิ์หมดจดให้กระแสขันเป็นขันที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีราคะโทสะโมหะเข้ากุ้มรุมโสกกาปฏิเทวานางังสมติกรรมายะ บอกว่าถ้าดําเนินไปตามทางสารนี้แล้วเนี่ยจะทุกขโทมนัตจะอัสดงก็คือจะดับไปจะดับทุกขโทมนัตโสความโสความร่ำไรลําพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้จะดับศูนยหายไปทุกขโทมานาสานางอัฏฐังขมาญาณเนี่ยบอกว่าทุกขโทมานัตจะดับก็คือชาติทุกชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกสโสกกระปริเทวะทุกขโทมน า, าทนาจจะเลวปายาตนีจะอัสดงดับไปโดยไม่มีเหลือ และเราจะพ้นจากความโศความร่ําไรลําพันได้ก็การดําเนินไปตามทางเส้นนี้สายนี้ยายาสะทิคมายะเพื่อบรุอริยมรคคือมีโสดาปิมรคเป็นต้นแล้วก็นิพพานนสสะสัจจกิริยายะเพื่อจะกระทําพันิพานให้แจ้งเพื่อจะรู้ถึงซึ่งพันิพานคือการดับกิเลสและกองทุกก็คืออนุ ป, ปาธาพันิพานถ้าดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วเนี่ยรูปขันธเวทนาสัญญาสังขารญราณจะดับ และจะไม่ยกขันธภาระขึ้นมาแบกต่อไปก็บอกว่าเออเนี่ยที่คือเป็นบอกวัตถุประสงค์บอกอนิสง์บอกจุดหมายว่าปรารถนาไหมพวกเราบอกว่าเราปรารถนาเมื่อสักครู่เนี่ยคำสมาทานก็จะมีคําว่านิพานนัสสะสัจจิกิริยาบอกปรารถนาซึ่งก็ทำพระนิพานให้แจ้งก็คือต้องการอยากจะมาดําเนินไปตามมัชิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองแปดนั่นเอง ฉะนั้นเมื่อเราได้ตั้งเจตจำนงความจงใจและตั้งใจอย่างจริงจังอย่างทองแท้อย่างนี้ออกมาในฐานะเป็นภิกษุรูปหนึ่งก็อนุโมทนาในกุศลหรือในในเจตนาในความตั้งใจจริงจังของเราท่านทั้งหลายที่เราจะไม่ยอมจำนนต่อกิเลสคือราคาโทสะโมห oh ะและมีความปรารถนาที่จะสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ เดินตามรอยบาทพระศาสดาในโอกาสที่เกิดมาทันศาสนาของพระชินเจ้าในในยุคนี้ถึงแม้อายุของเราท่านทั้งหลายจะล่วงการผ่านวัยมามากแต่เราก็ไม่ยอมยอ่อท้อจะใช้เวลาที่เหลือลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ยังมีโอกาสเราท่านทั้งหลายถ้ามาให้ตอบแทนก็คือเราไม่อยากตายอย่างคนมีกิเลสเพราะการตายแบบคนมีกิเลสหรือลมหายใจขาดก่อนแต่กิเลสยังไม่หลุด จากกระแสชีวิตเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดในสังสารวัตซึ่งเราจะต้องมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆแล้วก็ต้องมาตายบ่อยๆเออตรงนี้ก็คือมานั่งมนานสิ ก, กานว่าเอาละเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เจ็บปวดในสังสารวัตไม่ต่างกันมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาได้ระดมความเพียรเพื่อจะได้ถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งยังไม่ถึงอริยมรรค ยังไม่บรรลุอริยผลยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเรามาตั้งหลักกันว่าเราละวันนี้เรามาตั้งหลักจริงๆที่จะมาประกอบตอนเองให้มั่นคงอยู่ในพระกรรมฐ า, านเป็นต้นในคำสอนคำภีวิสุทธิมรักษ์อาตมากลับมาจากศรีรังกาไม่นานก็ไปดูสถานที่ที่ท่านพระรุตโคศาสยานเนี่ยท่านไปรจนาคมภี ก็คือไปปฏิวัติภาษาสิงหนเป็นภาษามาคตก็ทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยเกิดความซาบซึ้งในความอุตสาหะเพียรพยายามของท่านพระพุทธโฆส า, าจารย์ที่ท่านเดินทางจากอินเดียเนี่ยจากพุทธกยานเนี่ยนะล่องเรื อ, รอข้ามมหาสมุทรไปที่เกาะลังกาเนี่ยเพื่อไปแปล ปริวัติคำสอนของพระพุทธเจ้าจากภาษาสิงหนผลเป็นภาษามาคตการที่ท่านไปไปเพราะอะไรโดยมากเราเมกจะลืมนะว่าพระพุทธโคสอาจารย์เนี่ยท่านไปเพราะถูกลงทันกกรรมอาจารย์ของท่านเนี่ยลงโทษทําไมอาจารย์ต้องลงโทษเพราะท่านมีมานะมีทิฐิมีกําลังกล้าทําไมมีมานะมีทิฐิมีกําลังกล้ามั่นใจใน ความฉลาดของตนเองก็ไปดูหมินอาจารย์เนี่ยดูหมินว่าอาจารย์กับเราเนี่ยอาจารย์จะสู้เราไหวไ่มน้เนี่ยไอ้จิตที่คิดหมินอย่างเงี้ยมันเป็นมานะจิตเป็นทิฏฐิจิตเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันมีมานะมีทิฏฐิมีตัณหาไอ้ตัณหาก็อยากได้มานะก็อยากใหญ่ทิฏฐิก็ใจแคบมันทัศนคติวิปริตอย่างเงี้ย ก็ไปดูหมิ่นอาจารย์เพราะตนเองเนี่ยเป็นเด็กฉลาดฉลาดมากเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมากก็เลยดูหมิ่นอาจารย์ว่าเอออาจารย์เนี่ยจะเก่งขนาดไหนจะสู้เราได้หรือไม่ได้พอเกิดมานะเกิดทิฐิพอทิฐิแล้วมานะเนี่ยทำให้จิตแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนทิฐิเป็นปัญหาด้านปัญญามานะเป็นปัญหาด้านจริยธรรมฉะนั้นคนที่มีมานะมากเนี่ยสภาพจิตใจมันโฟมันแฟบ โดยเฉพาะมันโฟมันยกตนชูตนเปรียบเทียบตนใจมันแข็งกระด้างอันนี้เป็นกิเลสเป็นธรรมที่ควรละไม่ใช่ธรรมที่ควรจเจริญเราท่านทั้งหลายทําไมแล้วต้องมามอบตนต่อพระรัตนตรยัยทําไมมอบตนต่อครูอาจารย์เพราะต้องการถอนไอ้นี่กำจัดไอ้มานะกําจัดไอ้ทิฏฐิเนี่ยไอ้ตัววิปริตผิดเพี้ยนที่มันทําให้หมู่สัตว์แข็งเนี่ยนะแข็งต่ออะไรต้านต่ออะไรต้านต่อพระรัตนตรยัย องของภิกษุรูปหนึ่งเขาต้องบอกภิกษุเนี่ยต้องทําตัวเหมือนไม้ไผ่องค์ของไม้ไผ่องค์ของไม้ไผ่เป็นยังไงรู้ไหมครับรู้ตามลมพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องรู้ตามคําสอนเพราะพระเจ้าตัดสู้ความจริงตัดสู้ทุกตัดสู้ทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธ ท, รทคราคารมีปฏิปทาพระเจ้ามีปัญญาอย่างเห็นความจริงแต่ทิฏฐิเนี่ยมันกอดความเห็น มันต้านความจริงต้านปัญญาถามว่าต้านไหวไหมต้านไม่ไหวหรอกต้านธรรมชาติต้านความจริงต้านธรรมชาติไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติของรูปขันต้องย่อยยับดับไปเพราะความเย็นและความร้อนเป็นต้นธรรมชาติของเวทนาขันก็ต้องสวยลดของอารมณ์ธรรมชาติของสัญญาขันก็จาธรรมชาติของสังขารและขันก็ปรุงแต่งธรรมชาติของวิญญาณก็รู้ เขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติของอกุศลก็ให้ผลเป็นสุขเออขอให้ผลเป็นทุกข์ธรรมชาติของกุศลก็ให้ผลเป็นสุขธรรมชาติของมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยก็แทงตลอดความจริงมีกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมชาติบุญธรรมชาติบาปแล้วก็ประชมลงสู่ธรรมดาทั้งหมดเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหม ธรรมชาติความจริงเป็นแบบนี้แต่ทิฏฐิเนี่ยมันไปต้านไปต้านความจริงมานะเนี่ยไปต้านความจริงต้านความจริงก็คือไปต้านสัพพยุตยานเพราะสัพพยตยานของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุปความจริงนําความจริงมาบอกทิฏฐิมองหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ไปต้านไปต้านต้านไหวไหมต้านไห่ไหวหักไหมหักฉะนั้นเราต้องรู้ตามคําสอน น้อมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แหละพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยท่านต้านท่านไปดูหมิน่นก็มีทิฏฐิจิตขึ้นมามีมานาจิตขึ้นมาพุ๊บอาจารย์รู้ว่าละจิตอาจารย์ก็เรียกมาติง่งก็จะขอโทษอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันเรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเราจักอดโทษให้เธอก็ต่อเมื่อเธอเนี่ยไปแปล พระไตรวิฎกจากภาษาสิงหนกับสู่ภาษามาคตแล้วนำมาถวายให้เราตรวจตาว่าเรียบร้อยดีงามนั่นแหละเราถึงจะอดทนให้นี่ก็เลยเป็นการเห็นการจาริกในการเดินทางจากอินเดียไปสู่ลังกาแล้วก็ไปทำงานด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างมุ่งมัน่นไปถามว่าท่านพระพุทธโคษ า, าจารย์เนี่ยปัญญาท่านเยอะจริงๆไหมเยอะมาก ท่านไปลงเรือก่อนจะขึ้นฝั่งท่านไปเจอมาเล่าเกร็ดนิดนึงเจอหญิงสองคนหาบน้ำอีกคนนึงก็หาบชะลอยตัวสมัยก่อนก็กใช้เหมือนตุ่มเปล่าก็ตุ่มที่มีน้ำเนี่ยหาบมาแล้วเถียงกันต่างฝ่ายต่างไม่หลีกกันก็เลยด่ากันท่านเห็นด่ากันแรงครับท่านก็เลยหยิบเอา เหมือนคล้ายๆเป็นสมุดในสมัยนั saber, to ้นเนี that, okay? ่ยใบลานอย่างสมัยน <WOR> ั้นท่านหยับหยิบหยิบหยิบดินสอสองมือนะแล้วก็เขียนคําด่าสองคนด่าอะไรกันด่ากันเป็นร้อยๆเป็นสองรอยๆคำเป็นพันคํำท่านเขียนทันเขียนคําด่าสองคนที่ทะเลาะกันท่านมองว่าจะเป็นปัญหากันท่านก็เขียนเขียนเขนขเขนไปซึบก็เก็บไว้สองคนด่ากันก็ต่อมาก็ทะเลาะกันก็ไปอยู่ต่อมาก็เรื่องนี้ก็ไปแจไอไป มีการไปร้องเรียนถึงเจ้าพระเจ้าเวนดินขึ้นมาก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมก็ถามว่าใครเป็นพยานบอกตอนนั้นมีพระเห็นอยู่ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาหาพระถ้าคือพาาาระพุทธศาสนาท่านบอกถ้าเป็นพระท่านไปให้การไม่ได้แต่ทุกคําที่ด่ากันเนี่ยท่านจดให้หมดแล้วเาไปอ่านดูก็แล้วกัน <c oughs> พระเจ้าเวนดินก็เอาไปดู <c oughs> ก็ถามมาด่าอย่างนี้จริงๆริงไมโอจริ ง, ร ง, รงก็เลยเป็นการออกกฎหมายในยุคนั้นว่าต่อไปใครที่แบกของหนัก ใครที่แบกของเบาต้องหลีกหลีคนแบกของหนักเกวียนที่เบาต้องหลีกเกวียนที่หนักเรือที่เบาต้องหลีกเรือที่หนักนี้เป็นต้นก็เลยเป็นกฎหมายของลังกาก็เพราะนี่แหละพ้นงานกองวัตพุโสดาสัน <c oughs> อันนี้เอามาไม่ได้อ่านเจอในคัมภีร์ในตรงเนี้ยตาเล่าให้ฟัง <c oughs> ยังไม่เจอน่าจะมีตาก็เล่าให้ฟังก็ว่างั้น ตาเคยฟังเรื่องนี้มาศึกษาเรื่องนี้ก็เล่าตาตายไปแล้วเดินตาบวชเป็นพระก็เดินลาลูกหลานเสร็จก็ท่านปฏิบัติอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็เดินเข้าป่าหายก็ไม่เจอศพจนทุกวันทามามีบุญดีอย่างก็คือตาเป็นนักบวช <c oughs> ก็เลยได้เล่าได้ฟังเรื่องนี้มาพอสมควร ทีนี้พอไปเสร็จแล้วท่านไปหาพระเทลรในคณะมหาวิหารพุทธโฆสาจารย์พอไปถึงท่านก็มาแจ้งความประสงค์เขาก็ไม่ไว้ใจว่าชำนาญเก่งจริงหรือเปล่าก็เลยมีการทดสอบเอาคาถาพุทธพจน์ในคัมภีร์สังยุตเขียนมาบอกให้ท่านแต่งคัมภีริยุสธมรก ที่บอกว่าสีเลปฏิถายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัจากภาวยังอาตาโปอาตานิปกโกภิกขุโสอิมังวิชัตะเยชะตัน ท, ที่บอกว่านาราชนผู้มีปัญญาเป็นผู้เห็นภัยในการเกิดเป็นต้นมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารเนี่ยตั้งตนไว้แล้วเนี่ยในศีลแล้วก็ทำสมาธิและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงถางลกชัด ดังนี้เสียได้นาราชนผู้มีปัญญาก็หมายบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยปัญญามาแต่การเกิดสัจจทิกิปัญญาหรือปฏิสนธิปัญญาเนี่ยเกิดมาพบพร้อมได้เหตุสามความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเพราะเกิดมาแล้วมีความบริบูรณ์ฐานมาดีแล้วเนี่ยมาตั้งมั่นในศีลอบรมจิตด้วยสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาวิปัสนาปัญญาจะสามารถถางลกชัดเป็นต้นได้ ก็คือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้นั้นตรงนี้ก็คือบ่งบอกว่าบุคคลที่จะสามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในอัตภาพนี้ได้เนี่ยหนึ่งการเกิดมาเนี่ยปฏิสนธิมาพร้อมด้วยเหตุสามเมื่อปฏิสนธิมาพร้อมด้วยเหตุสามแล้วมาเนี่ยมาตั้งมั่นในศีลมีปาฏิโมกข์สังวรลศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิ์ี่ศีลปัจจะยสันนิสิตาศีลตั้งมั่นในศีลนึ่งภูมิศีเนี่ย แล้วก็อบรมจิตทุกระดับตั้งแต่อุปจาราสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเอาสมาธิมาเป็นฐานแล้วก็เดินวิปัสนาญาณแทงตลอดอริยสัจจะและสามารถที่จะถางรกชัดคือราคาโทสาโมหาเป็นต้นในกระแสชีวิตเป็นต้นได้อันนี้ท่านประกาศในใ น, ในหลักการตรงเนี้ท่านก็เลยเอาพุทธพจน์นี่แหละมาเขียน แต่งเป็นคำภีวิสุทธิมารคเป็นภาคศีลและนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศท่านเขียนอยู่สีชั่วโมงปุ๊บจบในคำที่เขาว่ า, างั้นเนะี่ยเขาจะมีรูปอยู่ที่วัดกัลยาณีที่ที่ที่เสยรังกาเนี่ยอามาก็ไปดูเป็นภาพที่ท่านถวายคำภีวิสุทธิมาร์ครให้พระท่านพระมหาเทระเนี่ยเขียนเสร็จแล้วหลับไปก็หายเขียนใหม่อีกลับก็หายหสามฉบับ อรุขึ้นพดีเทวดาก็ามาคืนนี้ยนะตรงกันทุกตัวอักษรนี่คือความสามารถของท่านแต่จริงๆได้หลักการจริงๆคือถ้าพุทธโกศอาจารย์เนี่ยที่ท่านไปอยู่ในการปฏิวัติกมภีร์นั้นเป็นคณะเนะไม่ใช่องค์เดียวเป็นคณะแต่ท่านเป็นหัวหน้าคณะนั่นเองในการที่ชําระทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะเป็นกรุนทียตกระถาปัจจรียตกระถาหมหาตกระถาทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านไปปฏิวัติใหม่ ในการที่มาเขียนเป็นอัตกถาด้วยแปลเป็นอัตกถาจะขยายความพระไตรปิฎกทั้งทีขันนิกายสั่งมัชชิมานิการสั่งยุทธอังคุตและขุนตกานิกายทั้งหลายเป็นต้นนี้ก็ขาเป็นผลงานของท่านปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นผลงานของท่านก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพุทธบริษัทในการมาศึกษาเล่าเรียนกันอันนั้นก็โดยใจความย่อๆเอาละในวันนี้เมื่อมาเล่าประเด็นตรงนี้เบีเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมา คุยกันในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการที่เราจะมาเจริญกรรมฐานในส5ห้าวันเนี้ยเราจะขับเน้นในเรื่องของเมตตากรรมฐานต้องการอยากจะทำให้สมาคมนี้ชุมชนนี้หรือว่า สำนักประพฤติปฏิบัติวัดนิสสนาวนารามตลอดถึงมูนิธิตามร้อยบาทพระศาสดาในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยอบอวลไปด้วยเมตตาพรหมวิหารอยากจะให้เมตตาพรหมวิหารเนี่ยประชมในกระแสชีวิตของเราทั้งหลายจากจิตของเราที่ไม่มีพรหมวิหารคือเมตตาเป็นต้นเนี่ยเราต้องการอยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยอัญเชิญ เมตตาเพราะวิหารที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้นี่แหละเอามาประชุมไว้ในกระแสชีวิตให้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็คือให้จิตที่เป็นไปกับเมตตาเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมทางกายทางวาจาออกมาเมื่อจิตเนี่ยเป็นเมตตามนโนกรรมเวลาผลักออกมาจะได้เป็นเมตตาวจีกรรมคือคําพูดแล้วผลักออกมาจากพฤติกรรมจะได้เป็นเมตตากายกรรม การทำการพูดการคิดทั้งหลายเหล่านี้ให้เมตตาอยู่ในจิตประชุมอยู่ในกระแสชีวิตแต่ไม่ใช่เมตตาอันเดียวนะแต่พูดถึงเมตตาเนี่ยพูดถึงองคาพยกบด้วยเพราะเมตตาเป็นอโทสสะสภาวะที่ไม่โกรธใช่ไหมในนั้นก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละอยู่ในนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศรัทธาสติหิริอตปะอโลภอโทสะ ต, ตระมะัตาตาเป็นต้นเหล่านี้กลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายต้องประชุมแต่มีอาโทสานี่เด่นคือความไม่โกรธคือความอดทนแล้วก็มีสภาพของเมตตาธรรมประชุมอยู่ในกระแสชีวิตทีนี้เมตตาจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากระแสชีวิตพฤติกรรมของหมูสัตว์เหล่านั้นไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็เลยมีความจําเป็นต้องพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลวิติกรรมศีลก็คือพูดถึงในเรื่องของ สังวรศีนก็คือปาติโมกข์สังวรศีลอินทร์ศีสนสังวรศีลอาชีวะประดิสุ์ที่ศีนและปัจจัยสนิทสิตาศีลแต่การจะลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเย็นอยู่ในกรณีที่ใช้เวลาจํากัดเนี่ยแต่จะสรุปใจความเอามาหนังสือมาวางเขาไว้เป็นเพื่อนอย่างนั้นแหละเอามาไม่เปิดหรอกเอามามีมีปัญหากับตัวเองอยู่อย่างถ้าหนังสือมาวางเขาไว้เนี่ยทำไมเอามานึกออกได้เร็วทําให้นึกถ้าไห้มาวางไว้บางที เดินึกชาเนี่ยนะก็เลยติดมาจนทุกวันนี้แหละใบที่ไหนมาก็จะวางวางเข้าไว้แต่ไม่เคยเปิดก็เปิดบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้อันนี้บอกปัญหาของตอนเองคนอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วถ้าวันไหนไม่มีตํารามาวางเข้าไว้เหมือนเหมือนไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกแต่ละบุคคล ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของหลักเนี่ยนะพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนาวีติกรมศีลตลอดถึงไ ป, ไปประชุมในหลักของปาฏิโมกสังวรลศีลทั้งหมดเหล่านี้นะพูดให้ได้ใจความท่านสั้นก็คือว่าเรามีเจตจานงมีความจงใจมีความตั้งใจในการที่จะทำกุศลศีลเนี่ยทำศีรนะเนี่ยให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิต ศีระนา네เนี่ยศีลเนี่ยนะให้เกิดขึ้นในกระแสให้ตั้งมั่นในกระแสชีวิตเราให้ได้ถ้ากระแสชีวิตไม่ตั้งมั่นในกุศลศีลมันก็จะไปตั้งมั่นในอกุศลศีลนี่ตัวเนี้ยนีหลักการมันมีอย่างนี้แหละถ้าพูดถึงกุศลศีลอกุศลศีลอพยากตศีลถ้าไม่ตั้งมั่นในกุศลศีลมันก็ไปตั้งมั่นในอกุศลใช่ไหมล่ะถ้ากุศลจิตไม่เกิดอกุศลก็ต้องเกิดทีนี้อกุศลจะเกิดที่จะเป็นศีลก็ต้องมีศี <regarder S 1> <blessed removed. S 2> อะไรนะที่บอกว่า ลักษณะของศีลที่บอกว่าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกายกรรมวจจกรรมเป็นต้นไม่ให้เกลื่อนกลืนไม่กระจัดกระจายไม่ใ้สั้นไปไได้วยความเป็นผู้ทุศีลเนี่ย <S <S ไอตรงเนี้ยต้องมีศีลตัวเนี้ยกากับอยู่เขาเรียกว่าศีลแล้วนะ <S <S ส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเป็นฐานรองรับหรือทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้มีสมาธิมีปัญญาเป็นต้น <S <S สรุปก็คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา ส่ิติฐานเบนเจอร์เหล่านี้เกิดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีตัวกุศลศีลเป็นฐานรองรับหรือส่งไว้แปลว่ากระแสะชีวิตของท่านผู้ใดถ้าจะอัญเชิญเมตตามาประชุมในกระแสะชีวิตคุณต้องมีกุศลศีลเป็นฐานรองรับเป็นภาชนะรองรับอย่างดีถ้าเราดูอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยลานเวย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินระดับ500หรือเป็นเกือบจะเป็นพันคนเนี่ย ว, วิ่งขึ้นวิ่งลงได้รองรับอย่างแน่นหนาได้แปลว่าอะไรเนี่ยฐานรากต้องดีนะเนี่ยหรืออาคารหลังนี้ก็เหมือนกันฐานรากต้องดีถึงจะเป็นที่ตั้งของอาคารหรือพระเจดีย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยแม้ฉันใดฉะนั้นศีลจึงเป็นความจําเป็นจึงเป็นความสําคัญแก่เราท่านทั้งหลายอย่างยิ่งทีนี้ตัวกุศลศีลที่บอกว่าทำกายกรรมวจีกรรมอาชีพไม่ให้เกลื่อนกลื่นไม่กระจัดกระจายไม่ไม่ซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีล ตลอดถึงว่าทรงไว้ด้วยเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงจะเกิดขึ้นได้มันก็จะต้องทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างหนานแน่นทีนี้กุศลศีลจะเกิดขึ้นอย่างหนานแน่นไม่ได้เลยถ้ากุศลจิตที่เป็นไปกับการงดเว้นจากบา ป, ปรกรรมทางกายทางอาชีพยังระ ง, งับไม่ได้ระ ง, งับบาปทางกายทางวาจาไม่ได้แล้วต้องรักษาหรือต้องทําให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าตัวศีลเนี่ยจิตของศีลของเขาก็กคือทําลายกําจัดความทุศีลใช่ไหม อาการปรากฏของศีลก็ต้องกายก็ต้องสะอาดวาจาก็ต้องสะอาดอาชีพก็ต้องบริสุทธิ์รวมไปถึงสภาพจิตต้องดีด้วยจะให้จิตสะอาดไปด้วยได้ด้วยก็คือสุดจริือสามต้องเกิดนั่นเองทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นขั้นตอนของตัวกุศลศรีลว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆว่าถ้ามนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในศีล คำว่าตั้งมั่นในศีลก็คือทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นทําเจตนาศีลให้เกิดขึ้นทําเจตสิกศีลให้เกิดขึ้นทําสังวรศีลอวิติกรรมศีลเป็นต้นให้เกิดขึ้นเพราะบอกเจตนาศีลก็คือมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะไม่ล่วงละเมิดบาปกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพทั้งหลายเหล่านี้เห็นมาจากเจตนานนเพราะพูดถึงเจตนาเป็นกรรมเนี่ยเป็นกุศลกรรมตัวเนี้ยเจตนาดวงเดียวไหมไม่ใช่เลยเพราะมีเจตจํานงในการที่จะ ทำกายกรรมวจีกรรมและอาชีพของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วเนี่ยจากเจตนาตรงนี้จากความจงใจตรงนี้เจตจำนงความจงใจตรงนี้ก็ไปกระตุ้นให้กลุ่มกุศลศีลหรือเจตสิกธรรมทั้งหลายทํากิจเช่นกระตุ้นความไม่โลภให้เกิดขึ้นกระตุ้นความไม่โกรธให้เกิดขึ้นกระตุ้นปัญญาปัญญาให้เกิดขึ้นให้ทําหน้าที่ถามว่าคนที่ละเมิดศีลทั้งหลายก็าพ้นโลก อยากจะได้ก็ไปฆ่าเขาอยากจะได้ก็ไปรักอะไรก็ว่าไปก็เพราะโกรธจึงไปประทัดสลายเขาไปเบียดเบียนเขาเป็นต้นก็เพราะโมหะความมืดบอดจึงทําด้วยความฟุง้งซ่านด้วยความลังเลสงสัยบ้างก็ผักดันพฤติกรรมทางกายทางวาจาและชีพให้ทุจริตทุลาชีพทั้งหลายก็ผักออกมาแต่ถ้าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญามาเป็นเจตสิกศีนจากการที่มีเจกจํจำงมีความจงใจตั้งใจปับ๊บโดยเฉพาะปัญญา ปัญญาซึ่งเป็นตัวรู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยตัวนี้เป็นศีล น, นะเป็นศีลในฐานะไหนเป็นศีลในฐานะที่ไปรู้เรื่องนี้เป็นกุศลกรรมนี้เป็นกุศลกรรมนะถ้าทําอกุศลกรรมนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นในขณะทำกับตามมาบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายมันจะตามมายัางไงถ้าทํากายสุจริตวจีสุจริตเป็นต้นเหล่านี้ทึ่เป็นกุศลศีลเป็นต้นอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ย กุศลกรรมที่เกิดขึ้นในขณะรมและผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรการที่เ <Show> ข <t> ้าไปรู <et> <t> ้เหตุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมแล้วก็กํากับพฤติกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามอันนี้คือปัญญาไปทําหน้าที่เป็นศีลใช่ไหมเออปัญญาทําหน้าที่เป็นศีลเป็นแบบนี้นะเราบอกเออปัญญาเป็นศีลได้เพราะว่าเกิดร่วมกับกุศลจิตนั่นเองกุศลธรรมนั่นเองในการผลักดันพฤติกรรมทั้งหลายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามฉลาดในเรื่องเหตุในเรื่องผลในเรื่องการทํากรรม เช่นการพูดนี่ไหมให้เป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นสัมมาวาจายัางไงพูดคําจริงพูดคําที่เป็นประโยชน์พูดถูกการแล้วให้เมตตาจิตเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ก็มาจากเกตนานี่แหละมาจากปัญญาเป็นต้นนี่แหละที่ไปชําระพฤติกรรมตนเองเบีเส็จก็ทําเมตตาให้เกิดขึ้นพอเมตตาเกิดขึ้นมากํากับอยู่ในใจปุ๊บเมตตาก็ผลักดันกายกรรมออกมาเป็นเมตตากายกรรมผลักดันวจีกรรมออกมาเป็นเมตตาวจีกรรม ดำเนินชีวิตไปด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความปราถนาดีก็เป็นอาชีพที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแม้เมตตาผกพฤติกรรมออกมาก็จัดอยู่ในชั้นของศีลเขาเรียกอัตโทสัตอัตโทสารเป็นศีลอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น ใ, ในรายละเอียดตรงเนี้มันต้องทําให้หนานแน่นที่จะบอกให้พวกเราเนี่ยถ้าทําตัวกุศลศีลเกิดแวบๆบแบบแบบนิดหน่อยมันจะไปรองรับเมตตาที่เป็นระดับกรรมฐานได้ไงมันก็เบาเหลือเกินเนี่ย หรือไม่ได้เข้าใจใดๆเลยในชีวิตจริงๆเนะี่ยมันเดินไม่ได้จริงๆเลยเพราะการฟังจบปุ๊บมันก็อยู่อย่างเดิมอ่ะมันก็ทื่อๆอย่างเดิมอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับการเราโยนหินฟุบเข้าไปในไอ้จอกแหนมันก็วูบออกพอหยุดโยนปุ๊บฟุบปิดอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนบอกทางใช่ไหม เ, เราจะมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ไปทางไหนครับเขาบอกเออเนี่ยไปเนี่ยวิ่งไปทางเนี้ยแต่เขาบอกเพียงแค่บอกแค่30กิโลเองที่เ ร, เราจำได้ฟุ๊บตันแล้วแต่นี้ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันไปตันตรง30มสิบมาไปไม่ได้แล้วหมุนเคว้งวางเลยแต่นี้แม้ชั้นใดการเข้าใจการศึกการฟังให้เกิดความเข้าใจมันจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจริงไหมเหมือนฟังให้มันเข้าใจแล้วเราจะได้เดินได้อะ จะได้เดินทางไปสู่จ ด, ดหมายปลายทางอ่ะทุกวันนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาตรงที่บอกว่าเอาไปนั่งดูลมปเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเวลาดูไปแล้วมันมันตันดิตรเนี้มันไม่รู้จะวางใจยังไงเขาจริงต้องมีอาจารย์สอบอารมณ์เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละก็คือเฮ้ยมันมันผิดทางเวอมันหลุดออกจากนอกเส้นทางแล้วอาจารย์ก็บอกเออตอนนี้คุณมรณสิการยังไง บอกผมดูอย่างนี้ครับผมมานาสิการดูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะแต่ว่าผมผมเครียดและเกิดทั้งๆั้ ท, ที่ผมดูนี่แหละบอกอ๋ออันนี้มีปัญหาแล้วถามามีปัญหาตรงไหนมีปัญหาตรงกลางวางท่าทีทางใจกูศวและจิตมันไม่เกิดคุณไปดูดูแล้วคนเครียดมันไม่ดูก็หลุดดูก็หลุดเลยไปเครียดมันใช่ไหมพอไปเครียดขึ้นมาก็สะสมขึ้นมากลายเป็นความเครียดอย่างนี้เป็นต้น ทัานตรงนี้ต้องการชี้ว่าศีลเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวร อ, อวิติกมะเดี๋ยวสรุปตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยการที่เราทํำกุศลศีลให้เกิดขึ้นเมื่อศีลเกิดขึ้นเขาก็จะไปทําลายทุกครั้งทําลายความเป็นพูดทุศีลทั้งหลายให้ให้ให้หมดพอจะร่วงละเมื่อเวลาเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ามันถูกทําลายด้วยอะไรเนี่ย เวรเจตนาอกุศลที <un ansch accessory> ango, ่เป็นเหตุแ <rat> ห <ain> <Projekt> ่งการลักเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดผิดในการมเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดคำหยาเพื่อเจริญเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดอันนี้มันมาจากเจตนาชั่วร้ายมันเป็นอกุศลที่มันผลักดันพฤติกรรมในการทําในการพูดในการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดเจตนาชั่วร้ายเหล่านี้ถูกทําลายด้วยตัวกุศลศีล ไอตัวละตัวงดเว้นจริงๆเขาเรียกวิรติใช่ไหมถ้าสัมมาวิรติเนี่ยก็จะเป็นกรรมการงดเว้นเวลาเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเป็นเหตุแห่งการพูด er ส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเมื่อวิรติตัวเนี้ยสัมมาวาจาวิรติมานั่งท่านอยู่ในใจมานั่งในกระแสชีวิตแล้วเขาจะป้องกันทันทีแต่ทีนี้ไอวิรติจะเกิดได้ยังไงวิรติมันมาจากเจตจานงใช่ไหม ความจงใจและตั้งใจจะสมาทานเหมือนพวกเราสมาทานเนี่ยเป็นสมาทานวิรัติเนี่ยตั้งใจแล้วพอพระก็เหมือนกันนักคารวากะก็เหมือนกันเราตั้งใจกันดีแบบนี้ตั้งใจว่าเราจะงดเว้นจากการฆ่าการลักแล้วก็จะปหนึ่งละปานาติบาสสองทำใจให้เป็นไปกับกรุณาและเมตตาสองละอัินาทานก็อันนี้นีปิดดีไหมก็เปิดก็คือเปิดให้ จิตที่คิดจะให้คิดจะสละแบ่งปันมันเกิดละกาเมหรือประพฤติพรหมจรรย์ก็มีจิตน้อมในการที่จะไม่ภาคคู่ครองเขาเป็นต้นหรือมีความยินดีในบุคคลทั้งหลายที่เขามีความรักสมัครสมานสามัคคีใ น, ใ น, ใ, นในคู่ครองทั้งหลายเป็นต้นละมุสาวาตก็พูดคําจริงละปีสุนาวาจาก็พูดคําสมัครสมานสามคัคคีส่งเสริมสมัครสมานสามัคคีว่าไปละ ละพูดหยาบก็พูดวาจาอ่อนหวานละเพื่อเจอก็พู ด, ดที่เป็นอัฏฐาเป็นธรรมะเป็นสาระไอ้กรณีอย่างนี้เห็นไหมว่าเจเจจำนงที่จะละชั่วและทําดีเนี่ยเจตนาที่ตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้วิรตีทํากิจนะวิรตีในการที่จะทํากิจในการที่จะงดเว้นถ้าไม่มีเจตนาตั้งใจเข้าไว้เนี่ยจะไม่แข็งแรงเราจึงต้องมาสมาทานที่นี้สมาทานแล้วลืมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ การสมาทานมันต้องตั้งใจบ่อยๆบอยๆ่อยๆๆๆๆใช่ไหมมีเกลเจานงในความตั้งใจตั้งใจบ่อยๆๆ่ยๆเนี่ยมันมีพลังมากเลยเนีว่าเราได้ทําไมเขาเลือกพระเลือกพระที่เราเคารพในการที่ไปสมาทานถือว่าโอ้พระเถระนี้เป็นผู้ทรงคุณทรงวินัยอะไรก็ว่าไปโอ้เราเคารพนับถือท่านผู้นี้เราไปสมาทานต่อหน้าท่านผู้นี้เราจะไปล่วงละเมิดไม่สมควรแก่เราหนอย่างนี้เป็นต้นมองเอาไหม เขา จ, จึงหาอารมามนาธิบประดีที่เป็นที่ตั้งแห่งการที่จะไปประพฤติปฏิบัติบางคนไปขอกรรมฐานกับพระเทเรซที่เราเคารพมากเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเราจะไม่ทําหรือจะไปล่วงละเมิดแล้วไม่ควรแก่เราเลยเราเหมือนเรานอกจากโกหกตัวเองเรายังโกหกพระเทเรซโกหกครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือจึงไม่ควรเขาจึงมอบตนจึงไปมอบตนบอกว่าท่านเป็นที่พึ่งให้ข้าพเจ้าด้วยเถอดเหมือนเราไปขอมอบตนต่อุปช า, าจารย์นี่แหละ อ่งพันเตนีสยังยาจะมีเป็นต้นขอนิสัยกับท่านน่ยขอมอบตนกัท่านว่าท่านจงเป็นภารลธุลาให้กับผมด้วยจงชี้กล่าวชี้แนะให้กั บ, กบผมด้วยผมจะทําตามท่านอเอางั้นเถอะเมื่อผมเห็นโทษเห็นคุณทั้งหลายเหล่านี้ยผมจะละโทษแล้วปฏิบัติตามตามคุณที่ท่านบอกผมต้องการอยากจะถอนตนเองออกจากชาติทุกเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่ผมต้องอาศัยกัลยาณมิตรเช่นท่านนี้แหละเอางั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนความไว้ใจกัน จะไปตั้งกำแพงละแวกละจบเลยถึงจะท่องจะตายก็ไม่มีทางจะเข้าถึงได้เพราะกำแพงมันกั้นมากคนที่เขานับถือครัอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างนะว่าเอายกตัวอย่างสายป่าหลวงพ่อชาได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงท่านอาจารย์ท่านชยศาโลเวลาท่านไปมอบตนกับอาจารย์ท่านบอกผมผมถา ม, ถามท่านนะคือ ท, ท่านอาจารย์มอบผมมอบจริงๆมอบยังไงคือ อาจารย์สั่งให้ผมโดดเขาตายเดี๋ยวผมโดดเลยนะโอ้โหเขาเชื่อขนาดนั้นผมให้ท่านกระโดดลงนี้ท่านโดดไหมครับโดดไหมโดดไม่โดดฮะดดกระโดดเตี้ยๆได้ใช่ไหมนี่เนี่ย <c oughs> นี่ในนี้นี่ น, น, น, น, นแต่แต่คนที่คนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทำงั้นแต่พูดให้เห็นว่าความเชื่อมัน่นที่บอกว่า ท่านฟังภาษาไทยไม่ออกอาจารย์ก็เทศภาษาไทยท่านก็อึดอัดอึดอัดกราบบอกขอขอออกไปปฏิบัติท่านบอกท่านนั่งตรงนั้นเลยนั่งดูมันไปดูทิฐิด้วยโทสะดูมานะดูความกระด้างกระเดื่องดูความไม่นอบน้อมดูมันจนกว่าจะเอามันลงอะ แต่ก่อนผมงงมากเลยนะว่าทำไมในลังกาเอาเท่ในลังกาไม่ต้องสมัยครั้งพุทธการนะตอนที่ท่านากาลพุทธลกิตะแสดงธรรมท่านแสดงพุทธคุณส2องชั่วโมงมีพระราชาไปยืนประนมมือฟังตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้าเพราะม่เขาฟังยังไง เขาบอกกันใน6มโมงเย็นถ <an> ึงหโมงเช้านี่ยุคเมื่อสองสปีหลังพุทธบรินิพนธ์นะครับก็นับเราก็ประมาณ25้าชั่วคนใช่ยิกว่าชั่วคนเขาามีพลังในการมีสติสัมปชัญญะในการฟังธรรมะกันขนาดนั้นเ่มาทุกวันเนี่ยถ้าเราเราจะฟังธรรมกันอย่างนั้นตายเลยเนี่ยทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังเนี่ย ทำท่าตายกันเรยถ้าเทศ12บสองชั่วโมงเนี่ยตายเลยนะเนี่ยคำว่าตายในที่นี้คือเราทนไม่ไหวแน่ใจขาดเนี่ยไอ้ น, นี่เาความเคารพในธรรมะความปฏิบัติในธรรมะของเขานี่ความที่มีความตั้งมั่นี่สูงจริงนะต้องยอมรับเนี่ยเขายอมเาไม่ยอมจำนนตต่อไอราคาโทสาโมหะที่จะมาคอยทำลายความคิดในการที่จะจะเข้าถึงพระราชนาตรา เนีย่ยพวกเราแย่เลยจ้ะเออเนี่ยชีย้เย็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าคือเอาเป็นกรณีศึกษาเอาเป็นกรณีศึกษาฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวตัวศีลเนี่ยที่เราต้องการอยากจะเข้าถึงกันจริงๆเนี่ยนะมันเข้าถึงด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ในเจตนาในความจงใจตั้งใจที่จะสมาทานสมาทานวิรัตให้เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความเคารพในพระตนะตรยัยคือพุทธธรรมสังฆะและเคารพในครูอาจารย์เนี่ย เป็นหลักเวลาจะไปล่วงละเมิดแล้วเนี่ยมันไม่กล้าเลยเพราะว่าเหตุใกล้ของตัวศีลมันได้แก่ความระายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นนะไม่ใช่แค่หีเลโรตาปใช่ไหมทั้งศรัทธาก็เป็นเหตุใกล้ได้ความไม่โลภความไม่โกรธขันติก็เป็นเป็นเหตุใกล้ของศีลได้แล้วก็ตัวกรุณาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละที่จะเป็นเหตุใกล้แต่เด่นที่สุดก็คือหีริโรตาป กิเลสโอตะปะความนาไอตบ่าบาปความเกรงตัวตบาปเป็นเหตุใกล้ที่จะกระตุ้นเตือนให้กุศลศีลได้เกิดได้ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะตัวที่ตัดรากของกุศลศีลมันคือโทสะเวลาโทสะเกิดขึ้นเวลาเราตั้งใจสมาทานศีล น, นะทั้งเกเรานาศีลเป็นต้นมีความจงใจตั้งใจให้กุศลศีลเกิดขึ้นมากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและชีพไม่เกื่นเกลินไม่กระจัดกระจายเนี่ยเวลากุศลศีลมันเดินไม่ได้เนะี่ย ก็เพราะมีโทสะใช่ไหมความหงุดหงิดความกโกรธความไม่พอใจทั้งหลายมาเกิดในใจเป็นระยะระยะทุกครั้งที่โทสะมาเกิดปุ๊บฮิริโอตปะหายเกลี้ยงทุกครั้งที่โทสะมาเกิดปุ๊บขันติจะหายไปใช่ไหมศรัทธาก็หายไปกุศลธรรมอื่นๆหายไปหมดเลยกรุณามุทิตาังหายหา ย, หายเกลี้ยงเลยนะสรุปแล้วพอโทสะมาเกิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกุศลศีลเนี่ยมันก็หายไปเขาจึงเรียกว่าเป็นตัวตัดรากตัดรากของกุศลศีล ศีลที่ไม่เจริญไม่งอกเงยไม่งอกงามในกระแสะชีวิตของหมูสัตว์ทั้งหลายเจ้ามีกลุ่มกิเลสเหล่านี้มาตัดโดยเฉพาะโทสะนี่เด่นมากไม่ดีกาบอกว่าเป็นตัวตัดรากของกุศลศีล น, นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ศีลเนี่ยถ้าเราเราไปเข้าใจว่าสมาทานแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาเลยสมาทานแล้วไม่เข้าใจมันจะเกิดยังไงมันจะเกิดยังไงอ่ะ สมาทานแบบเอาเด็กมาสมาทานเงี้ยไม่รู้เรื่องเนี่ยเอานกมาสมาทานเงี้ยไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาเด็กมาขังห้องเขาไว้ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้พระพุทธปิดนาการไม่ให้พูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจ้าไม่ให้พูดกับใครไม่พูดกับใครเลยนะให้อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไม่ให้กินอาหารด้วยไม่ให้ถือเงินถือทองด้วยเด็กคนเนี้นี่จะเป็นเนรขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ตรงที่มันไม่รู้ เราไม่ใช่รักษาศีลแบบนกในกรงทองไม่ได้รักษาศีลแบบเอาเด็กมาขังไม่ได้รักษาศีลแบบเอาคนมาขังคุกไม่ได้รักษาศีลเนี่ยเอาคนมาเข้าในห้องที่ปฏิบัตินี้แล้วก็เขียนว่าสานักปฏิบัติแต่คนที่อยู่ในนี้ไม่รู้เรื่องเลยเช่นนี้มันจะเป็นศีลได้ยังไงพูดแรงไวเปล่าไม่แรงนะเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเราต้องการให้รักมารักษาศีลแบบแบบเข้าใจ แบบให้พรอมถ้าไม่เข้าใจมันเดินไม่ได้จริงๆอามาเนี่ยทดลองจากตนเองมาแล้วตั้งใจอย่างดีเลยตอนบวชทีแรกอามาไม่รู้ละศีลคืออะไรเลยนะแต่มาตั้งใจดีไปนั่งเนี่ยเวลาพระท่านสวดสุนาตเมพันเตสังโคนเนี่ยสวดเนี่ยนะแล้วก็สวดชื่อฉายาเราฉายาของประชาไล่นะสุนาซีก็ถามเรื่งต่างตอนที่ก็นั่งสวดมากน็นั่งนั่งนิ่งคิดในใจว่า เสียงสวดเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาฮะแตมาเนี่ยแล้วความเป็นพระมันจะเต็มมันจะมันจะเกิดขึ้นเองมันเหมือนมันมีมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายมันวิ่งเข้ามาในตัวเนะมีความคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะไม่รู้ไงตั้งใจแบบสมาธิตั้งมั่นว่าหูนี่ความเป็นพระกําลังคืบคลานเข้ามาแล้วปืดปืดปืดปืดปในตัวเนี่ยปืดปืดปืดปเต็มหรือยังเต็มหรือยังตั้งใจอย่างนี้ โอ้โหพราะเขาสวดจบสามรอบไ่เต็มแล้วเข้าใจอย่างเงี้โอ้โหเป็นพระแล้วแต่นี้ยมันรู้สึกโอ้โหนี่เราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วเว้ยเป็นพระแล้วทำไมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แต่นี้โอ้โหแต่นี้ตั้งใจไม่รู้เรื่องแหละผ้าเอยอะไรเอยทั้งหลายเนี่ยหูนั่งกอดจีวรมีความสุขมากเนี่ยไม่รู้มันเป็นมันเป็นมันจะมาจากเจดนามันได้แต่ความเข้าใจไม่มีมีความสุขมากๆเลยอะ ไม่เคยสุขอลัยมาก่อนกับการได้ได้ได้ห่ผมผ้าเหลืองได้กอดผ้าไตรจีวรแล้วก็เอาผ้าสังกะสีนอนหนุนหัวก็มีความสุข <c oughs> มีความสุขมากสุขจนรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันมันรู้สึกว่าโอ้โหเรามาอยู่เราเป็นพระแล้วเราเป็นพระแล้วมันทองเนี่ยมันได้เจตนาแต่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วเดินอย่างพระยังไงนั่งอย่างพระเราก็พยายามดูเขาเขาเขานั่งเขาฉัน ฉันช้าๆก็ฉันช้าๆกับเขาค่อยๆเคียคยเค้ยวก็ค่อยๆเคี้ยวเขาเอาเลยทำกับเขาหมดแต่แต่สําคัญว่าเป็นพระสําคัญอย่างนั้นนี่ไม่รู้มันไม่รู้เนื่องกันเวลามาบอกว่าบอกว่ามาสมาทานกรรมฐานขอขณิกะสมาธิขออุปจารสมาธิอั ป, ปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณยงเกิดมีในขันธสันดานข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติ ก, กําหนดไว้ซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราท่องกันเมื่อสักครู่เนี่ย ตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปปุ๊บให้ตอนนี้ตั้งที่ไหนแล้วบอกเป็นต้นไปเลยนะโอ้โหแต่ว่าเอาจริงนะไม่ตัง้งกันแต่ก็ไปทั่วงเนี่ยเห็นไหมก็ภาษาที่เราพากันมาทำเนี่ยมันมั น, มนรูปแบบดีนะแต่พอทำเสร็เสร็จปุ๊บไม่ขลังมันไม่ขลั ง, งเออตรงนี้ก็คือต้องการให้เราเข้าใจว่าศีลเนี่ยมันมาจากความเข้าใจ นั้นต้องเข้าใจอย่ารักษาศีลมันนกเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนหรือเอามามามามารวมๆกันก็ไว้แล้วแล้วสำคัญมั่นหมายวันเป็นเป็นศีลเป็นกรรมฐานเรียบร้อยแล้วพอกลับไปก็บอกเอาบุญมาฝากเอาบุญด้ยฝากกันเต็มแล้วบอกอีกคนหนึงก็สาธุโมทนาด้วยเครียดตลอดเลยที่อยู่เนี่ยอยากจะกลับตลอดพอวันสุดท้ายได้แล้วโอ้โหมันหงุดหินมาก มันเคยเป็นอย่างนี้เวลารู้สึกว่าโอ้โหมาอยู่แล้วมันงุดหิดมากมันรู้สึกว่าใจมันไม่อยู่แท้จริงก็คือว่าตรงเนี้ยไอตัวเจตนาเจตนาก็าเป็นความจงใจตั้งใจที่จะงดเว้นใช่ไหมมันมาจากปัญญามาจากความรู้มาจากความเข้าใจและอย่างที่ได้บอกไว้ว่า ต, ตัวการการที่จะกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาถ้าบอกกํากับหรือควบคุมเนี่ย บางทีเชื่อไหมว่าไม่ใช่กุศลเป็นตัวคุมบางทีเราอยากจะอยากจะด่าเนะี่ยเราอยากจะด่าเพราะเราโกรธตอนนั้นนะ่ะอยากจะด่ามากๆเลยแต่เราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยด่าไปเสียมากเลยแต่เก็บความโกรธไว้ไม่ด่าหรอกไม่ละเมิดออกมาหรอกแต่ในใจมันโทสะกินแล้วตอนนั้นอ่ะศีลไม่ได้เกิดนะนเนี่ยนะโทสะเกิดแล้วตัดรากของศีลเรียบร้อยแล้ว เนี่ยไปเนี้ยและและทำยังไงอ่ะไอเจตนาชั่วร้ายที่จะผักดันให้ด่าเนี่ยต้องละละเจตนาชั่วร้ายก็คือละอกุศลจิตที่เป็นเหตุแห่งการจะด่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่กล้าด่าแปลว่าตัวกุศลศีลไม่เกิดแล้วตอนนั้นน่ยก็ต้องทําลายใช่ไหมทำกุศลจิตให้เกิดขึ้นเมื่อทํากุศลศีลวิธีการละโทสะมากมายจึงเกิดขึ้นในในเมตตากรรมฐานเนี่ย วิธีการที่พระริเจ้าสอนในการที่จะให้ละมีอุบายในการละยังไงก็ว่าอีกเยอะแยะอะไละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นไหมเราต้องทําลายเจตนาชั่วร้ายตรงเนี้เจตนาเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการคิดจะฆ่าแค่คิดจะฆ่านี่แหละตัวตัวนี้มันตัวกุศลศีลไม่เกิดแล้วหรือเจเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการคิดจะรักคิดจะประพฤติผิดในการมไอเจตนาชั่วร้ายตรงนี้ตัวกุศลศีลมันจะไปทําลาย เจตนาชั่วร้ายในใจหลุดออกไปก็เลยกลายเป็นเจตนาที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาแทนและเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นมากุศลศีลก็มากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เป็นไปเรียด้วยความเรียบร้อยดีงามเพื่อแล้วเป็นการรักษาศีลที่เป็นอริยกันตศีลด้วยนะเป็นศีลที่พระ อ, อริยบุคคลชื่นชมรักใคร่และสรรเสริญด้วยนะไม่ใช่เป็นการถ้าเราไปรักษาศีลแบบไม่รู้เรื่องอีกเป็นไปตามรูปแบบ ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเอาเป็นงมงายเขาอีกหรือเพื่อเป็นมนุษย์เพื่อเป็นเทวดาเพื่อเป็นอะไรเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็ผิดนอกทางอา่ะเวยเียออกไปอีกเป็นศีลประดับปรามาสาอีกฉะนั้นศีลเนี่ยต้องเกิดจากความเข้าใจนะเกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจเกิดจากเกจจำงที่มีปัญญามาชําระมาเกิดความเข้าใจจริงๆริงพอจะมองเห็นนะทีนี้พอหลังจากตัวกุศลศีลเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความ ความทุ่ณีไม่จะถูกทำลายทุกครั้งอาการที่จะละเมิดทั้งหลายไม่จะถูกทำลายแต่ละครั้งเมื่อจิตคิดจะลักจิตคิดจะฆ่าจิตคิดจะเบียดเบียนจิตคิดจะปทุสสายทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกทำลายด้วยตัวกุศลลศีลเนี่ยเจตนาที่เป็นศีลเจตสิกที่เป็นศีลทั้งหลายก็จะมาทำลายมาชำระทำความเห็นของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ความเห็นให้ตรงขึ้นมาพอสภาพจิตใจนั้นน่ยถูกชำระอย่างดีแล้วเนี่ย พฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางใจก็สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเกิดขึ้นจริงจเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุใกล้ก็คือมีความละอายต่อบาปมากระตุน้นเตือนมีความเกรงกลัวต่อบาปมากระตุน้นเตือนมีศรัทธานในพระตนะไตรามากระตุน้นกระตุ้นเตือนมีความอดทนได้มันมากระตุ้นเตือนมีเมตตากรุณาทั้งหลายเนี่ยคอยมาเป็นเหตุตรงนี้เหตุใกล้เหล่านี้กระตุ้นจิตทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็กํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงาม ถ้าขับเน้นเดินไปตามสิกขาบททั้งหลายก็เป็นปฏิโมกสังวรลศีลถ้าปิดบาปทั้งทวารตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นก็เป็นอินทรีย์สังวรใช่ไหมถ้าดำเนินชีวิตไปด้วยความในการเลี้ยงชีพไปด้วยความเรียบร้อยดีงามละกายยทุจริตวจีทุจริตในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพทั้งหลายนี้ก็เป็นอาชีวประดิสุ์ที่ศีลถ้าตัวปัญญาเป็นต้นเห็นไหมถ้าตัวปัญญาเป็นต้นเนี่ยในการที่ไปใช้สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย เช่นในการที่อยู่อาศัยเครื่องดูมยาตลอดถึงอาหารทั้งหลายก็พิจารณาพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในการใช้สอยเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงเพื่อจุดหมายที่แท้จริงไม่ใช่มีเงื่อนไขของตัณหามาะทิติมาแอบแฝงในการในการกินเป็นต้นเช่นตะกินอาหารเนี่ยจะ บ, บริโภคอาหารเนี่ยหนึ่งอาหารที่ชอบแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเลือกอะไ ร, รอ่ะชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มันอร่อยเราชอบเราติดใจเราเอาอะไรแม้ถ้าพูดไปที่ชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราก็รู้แล้วเนี่ยตัณหามันทำงานเห็นไหมปัจญาสานิสิตาินไม่เกิดมไม่ชั่มละความเห็นให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าจริงๆแล้วกระแสชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลอย่างไรในการที่จะให้ของที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเข้ามาม า, ม า, มาหล่อเลี้ยง เพื่อความร่างกายที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเดินสู่ศีลสมาธิปัญญาให้เจริญไปบุญยิ่งๆขึ้นไปยังไงเป็นต้นมองเห็นไหมเหมือนเครื่องนุ่งหอมก็ดียาก็ดีอาหารก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเนี่ยถ้าตัวปัญญาเพราะว่าปัจจัยสนิทศีลก็จึงมีปัญญาเป็นประธานเด่นเนี่ยถ้าอาชีวะบริสุทธิ์ศีลก็ความเพียรที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือความเพียรเป็นตัวบุกฝ่าเป็นตัวผลักดันให้การดําเนินชีวิตเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามก็กุศลนั่นแหละ อม่แต่ความเพียนเด่นถ้าเป็นอินทรีสังวรศีงก็สติที่เป็นประธานก็ตัวนี้เด่นมากเพราะสติมันตัวปิดนี่ปิดบาปใช่ไหมปิดบาปที่ไม่ให้ไหลเข้าสู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปิดไอตัวสติเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างนะครับปิดกับการรักษาใช่ไหมปิดกับรักษาปิดคือปิดอะไรปิดไม่ให้ราคาโทรศท์โมหะไหลเข้าสู่จิตรักษาคืออะไรรักษาศรัทธาไว้ รักษาความเพียรไว้รักษาสมาธิไว้รักษาปัญญาไว้รักษากุศลธรรมไว้ไม่ให้กุศลธรรมไหลออกไปจากกระแส ช, ชีวิตเไมมันนอกจากปิดนี่รักษาด้วยรักษาให้ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวอินทรีสังวรมันเกิดขึ้นอย่างนี้ปิดบาปแล้วก็รักษากุศลความดีไว้แล้วก็ไอตัวรักษาเมื่อรักษา ความดีว่าไอ้ตัวกุศลทั้งหลายก็จะเดินในกระแสชีวิตได้จริงๆไม่ใช่ว่าปิดบาปได้จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรไม่ได้มีความเชื่อมั่นอะไรเลยก็ได้แต่บาปไม่ไม่เข้าปิดบาปแล้วไม่ไปทําบาปไม่ให้เวลาฆาโทษสาหร่ายแต่ว่าพลังภายใน ด้านกุศลทั้งหลายไม่ได้มีความแข็งแรงไม่มีความตั้งมั่นใดๆเลยเห็นไอินทรียสังวรมันจะต้องมีความเข้าใจในการที่จะเดินที่มันเกิดขึ้นนี่นไปต้นทั้งหมดเหล่านี้ใกล้จะหมดเวลาใไหมเอามาพยายามจะพูดเพเดี๋ยวจะไปสู่อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้คือเอามาพยายามบอกให้เราได้เข้าใจในเรื่องของปาฏิโมกข์สังวราศีลแบบย่อ อินทรีสังวรอาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจะยาสันนิษฐศตีนว่าจริงๆก็คือกลุ่มกุศลศีลนั่นแหละความเข้าใจจากเจดนาศีลเจดสิกศีลสังวรศีลอาวิตก ร, รมมศีลทั้งหลายเหล่านี้ที่มาประชมเป็นกุศลศีลเกิดขึ้นถ้าดำเนินไปตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งหลายเหล่านี้ที่มีศรัทธาเชื่อมั่น ในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติสิกขาบทตั้งแต่ศีลหเป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2อ1 3 1 1ยยเร้ตี่ายเราจะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทเดินตามวิันฝึกตามสิกขาบทเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นปาฏิโมกขังวรศีลเพราะเราเพราะปาฏิโมกข์เนี่ยแปลว่าเป็นศีลที่รักษาหมูสัต ที่ดําเนินไปตามปาติโมกสังวรศีลไม่ให้ตกไปในอบายภูมิและตกไปในสังสารวัตรใช่ไหมฉะนั้นการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นปาติบุคคลก็คือตกไปสู่เป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเนี่ยหรือตกไปในสังสารวัตบ้างเพราะไม่ตั้งมั่นในปาติโมกสังวรศีลคือไม่ตั้งมั่นในสิกขาบทที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติไว้แล้วก็ฝึกตนเองตากสิขาบทแปลข้อฝึกฝึกให้เข้าสู่ความเป็นศีลจริงๆบางทีมันได้แค่ มันได้แค่วิไนอ่ะเข้าใจไหมเช่นว่าภิกษุเนี่ยห้ามยืนถ่ายปัสสาวะถ้าไม่ป่วยใช่ไหมถ้าไม่ไข้เนี่ยเราเข้าไปเห็นแล้วไอ้พื้นมันไม่สะอาดเลยไอ้ไม่นั่งก็ไม่ได้เลยต้องจําใจนั่งแล้วเครียดเครียดด้วยนะอู้หูหกลัวเชื้อโรคกลักวอะไรต่างๆแต่ต้องนั่งไม่นั่งก็ไม่ได้สิกขาบทกํากับไว้ด้วยป็นาบัติ ลักษณะอย่างนี้ได้วินัยได้วินัยแต่ไม่เป็นศีลจิตนะ่ยไม่เป็นกุศลศีลเห็นไหมเนะี่ยกุศลศีลไม่เกิดแต่วิในเน่ยไนมะ่ไม่ร่วงละเมิดนะไม่เป็นสิกขาไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นอบัตินะครับแต่ใจมันี่ดีเครียดโกรธทาไมเลอะเทอะเหลือเกินเนี่ยเนี่ยมันไม่เป็นศีลตัวเนี้ยตัวกุศลศีลมันไม่เกิดจริงคืออย่างนี้บางทีญาติโยมก็จะมีปัญหากันตรงนี้แหละ คือเราปฏิบัติไม่ไม่ฆ่าไม่รักหรอกแต่โคตรกโกรธเลยให้คนนี้ไอเห็นหน้าคนนี้อยากจะด่าอีกแต่อย่าไ่ว่าปล่อยไปแต่ในใจปื๊ดปื๊ดป๊ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดตลอดเลยเนี่ย เนี่ยมันได้ได้ได้วินัยน่ะได้ได้ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆมันเป็นได้ตรงนี้ปัญหาคือว่าทำไมกรรมฐานมันไม่เดินเพราะมันได้รูปแบบมันได้ได้ออกมาทางพฤติกรรมทั้งหลายเลยเนี่ยแต่ในใจมันกลุ่นเพราะศีลมันอยู่ในหมวดของธรรมะครับสมาวจาสมากรรมตัดสมาชีวาอยู่ในหมวดของมรคนันเป็นธรรมะ นี่มันแยกไม่ออกที่ระหว่างวินัยกับศีลจริงๆนะแยกกันแบบแข็งแรงจริงๆแลบบแบบชัดเจนจริงๆนะเราก็เลยได้วินยัยเราต้องโกนหัวต้องหม่มผ้าใช่ไหมครับต้องถือบาตรต้องเดินมองบาตรเนะี่ยตักย่อมเดี๋ยวยมมองเราจะทำทะเลทลายหรือยมตำหนิเอาอะไรย่างนะี้นะแต่ในใจเราอยากจะมองซ้ายมองขวาจะตายไปเนี่ยไอย้ตัวเนี้ยมันเป็นเป็นศีลที่ไหนละ่ะมันเป็นวินยัย เป็นวินัยนะได้แต่ในใจมันขุ่นมัวเจออาหารก็เอมาอีกแล้ววันนี้เมื่อไรเมื่อไรก็อาหารแบบนี้แหละเมื่อไรเมื่อไรก็อาหารแบบนี้เราเครียดไหมละ่ะเคยเป็นไหมล่ะครับเนี่ยกรณีแบบนี้มันได้วินัยนะครับเนี่ยได้ได้รูปแบบได้วัฒนธรรมได้ประเพณีได้ได้ตามสิกขาบทแต่เดินตามวินยัยมันต้องฝึก ฝึกตามไอ้ตัวสิกขาบทไอ้สิกขาบทเป็นข้อข้อข้อก็เรียกสิกขาบทใช่ไหมแต่ละข้อแต่ละข้อก็เรียกสิกขาบทก็เปข้อฝึกฝึกตามสิกขาบทจะได้เข้าสู่ความเป็นศีลเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาจริงๆเนี่เป็นอย่างนี้ฮะพอเป็นศีลได้จริงๆไงแต่นี้มันโล่งและโปร่งแล้วกุศลศีลมันเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้นทีนี้มันกำกับพฤติกรรมไม่ไม่เครียดมันโปร่งเลยทีนี้มันชื่นใจเลยมันเดินได้จริงแล้ว มันคล้ายๆเดินเข้าสู่หมวดธรรมะแล้วจากกำกับจากวินยัยรูปแบบข้างนอกจากสมมุตินี่แหละเดินเข้าสู่ธรรมะซึ่งเป็นตัวสภาวธรรมโอ้โหมีความสุขเลยตัวเนี้ยมีความสุขเลยตัวกุศลศีลเกิดขึ้นหน้าตาผ่องใสเรียบหน้าตาผ่องใสพฤติกรรมออกมาสีหน้าแววตาทั้งหลายออกมาด้วยความสุขสมนัสเกิดขึ้นใช่ไห ปลาโมดปิติมันเกิดจริงๆพราะเห็นศีนที่เกิดขึ้นในตนพฤติกรรมทางกายทางวาจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและเป็นฐานรองรับเลยนี้ยิ่งเกิดหนานแน่นเท่าไร่กุสลจิตยิ่งมากๆๆๆมาเท่าไรไอ้ครอบฝึกก็เยอะหมดเลยแต่นี่โอ้โหยิ่งตื่นเต้นมันฝึกฝึกฝึ ก, กจนน่านแน่นหมดเลยแต่นี่ศีนเน่ยหนาแน่นเป็นฐานรองรับมาแต่นี้ยสติปัฏฐานสมาปัฏฐานเชิญโดดลงมาเลยรับได้หมดเลยนี่รับได้หมดเลยเห็นอย่างรับได้หมดเลยแต่เนี้ย นึกสึกว่โหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราเตรียมพร้อมได้ดีมากแต่ลองดิครับเดินไม่ได้ศีลจริงอ่ะได้แค่วิน่นไงคุณมานั่งสมาธิคุณก็เครียดเพราะอะไรเพราะศีลไม่ได้เกิดจริงอ่ะมันได้แค่วิน่นไงได้แค่รูปแบบได้แค่แบบแผนแต่ในใจมันเครียดหงุดหงิดลมแรงเหลือเกินหงุดหงิดลมไม่แรงก็หงุดหงิดฝนตกก็หงุดหงิดฝนไม่ตกก็หงุดหงิดใบ ไ, ไม้ร่วงก็หงุดหงิดใบ ไ, ไม้ไม่ร่วงก็หงุดหงิดต้นไม้ล้มก็หงุดหงิดต้นไม้ไม่ล้มก็หงุดหงิด กุดหลังนั้นทําไม่แหมมดมันขึ้นมาฝนฝนตกหน่อยแมลงเมาบินมางดหงิดงไม่มีแมลงเมาเลยก็แหมเนี่ยงุดเนยียดเงี่ย <c oughs> เป็นไหมศีลไม่เกิดเลยนะเนี่ยใช่ไหมสภาพใจมันร้อนล้นร้อนลอ น, ล น, ล น, ลวนกวนกระวายหมดเลยแล้วต่อมาอถึงเวลาลุยสวดม น, นโยโซโพระควา อ, าออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วพอเสร็จพวกก็นั่งจิตมันก็ปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ป๊บก็ไม่มีฐานอะไรเลยเจะเอาไง ทำไมไม่มีฐานกุศลสีลองอะไรเลยอ่ะทำไงดยเนะี่ยมันก็ได้แบบนี้แหละมันก็ได้อ้าวเรียกมารวมกันก็ดูข้าท่าก็าทางนั่งนี่แต่มีจังหวนนะเนี้ยสามสิบนาทีพอนะเว้ย ถ, ถ้าเกินสามสิบวฉันจะโกรธเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเงี้ยเนี่ยทั้งบอกว่าเวลาเราเดินให้ได้จริงๆรงมีเจียรติจำนในการที่จะกระตุ้นตัวกุศลธรรมที่เป็นกุศลสีนี่มันเกิด ให้ติดต่อและต่อเนื่องจริงๆทีนี้จะให้เกิดติดต่อและต่อเนื่องยังไงอ่ะเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ต้องรอให้หมดมันวิ่งมาก่อนเราถึงจะไม่งดเว้นจากการฆ่ามันถึงศีลจะเกิดใช่ไหมหรือต้องต้องให้เพราะว่าการรักการจะให้เจรนาศีลในการงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยใจที่เป็นไปกับกรุณาและเมตตาเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่คิดฆ่าใครเลยเนี่ยเราก็อยู่เฉยๆอย่างนี้ศีลมันเกิดไหม มันไม่ใช่นะมันต้องตั้งเจตนานะครับเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ ย, ยหมู่สัตว์ทั้งหลายหมู่กระแสชีวิตทุกชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันตั้งเจตนาว่าเนี่ยเราได้งดเว้นจากการเบียดเบียนกระแสชีวิตท่านผู้นี้แล้วหนอเราได้งดเว้นจากการประทุษร้ายจากการฆ่าจากการจากการคิดประทุษร้ายและเรามีใจที่กรุณาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายปลาถนายสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมี่อยายืนหนอกุศลลศีลข้อนี้เรา เราเกิดดีแล้วเราตั้งกุศลกเกษีฤาศินไว้ในกระแสะชีวิตทุกชีวิตเอากระแสะชีวิตของท่านผู้นี้เป็นประธานนะแล้วมองไปทุกๆ ก, กระแสะชีวิตเราจะไม่คิดเบียดเบียนจะไม่ประทุสร้ายด้วยกายกรรมวิญญกรรมเราไม่ทำไม่ทำอาชีพของเราให้ทุจริตทุลาชีพทั้งหลายเกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับกระแสะชีวิตของท่านผู้นี้และของบุคคลดยทั่วไปเราจะตั้งความรู้สึกเอาเอาเอาสูตรเอาสูตรผมเลยไหมครับ ผมตั้งยังไงดีกว่าเวลาคิดเนี่ยผมเป็นคนเวลาผมเกี่ยวข้องกับพระบางทีผมหงุดหงิดพระอุ้ยเมตตาเราไม่เกิดแล้วที่เห็นท่านอยู่ด้วยเนี่ยเอ๊ะท่านไม่ไม่ทำข้อวัดหรือมันก็มุดพุบขึ้นมาเลยในใจเราอะแล้วงุดหงิดแล้วมันไม่ดีแล้วเนี่ยท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นเนี่ยเราก็เคยเตือนไปแล้วเนี่ย ไอเตือนแล้วเราเล่าก็ไม่ดีนะเด็กก็โกรธกันอีกอยา ก, กันนั้นเลยเราจะขัดเกลาตัวเองเนะี่ยตั้งความรู้สึกว่านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเราจะไม่คิดเบียดเบียนกระแสะชีวิตของท่านพวกนี้เราจะไม่ให้ล่วงละเมิอดออกมาทางกายทางวาจาเป็นต้นด้วยและจะทําความรักความปรารถนาะดีความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นกับกระแสะชีวิตของท่านพวกนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเจอกระแสะชีวิตของท่านผู้นี้ณที่ใดจกตั้งความรู้สึกว่าจะไม่ยั่งความโกรธให้เกิดขึ้นจะยั่งความโกรธความงหงุดหงิดทั้งหลายให้เกิดขึ้นตั้งอย่างนี้นะไม่ใช่แค่ปัจจุบันแม้จะไปเจอหน้าที่ไหนอย่างไรเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรแค่แม้ท่านผู้นี้จะลุกขึ้นมาประทุษรลายขออภัยนะลุกขึ้นมาตบหน้าเนี่ย ก็จะไม่ยังความโกรธให้เกิดขึ้นจะยังไม่ยังความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นหรือจะไม่ทําอาการไปตอบโต้ทั้งหลายให้เกิดขึ้นนี่คิดในใจนะอย่าไปบอกท่านตรงๆนะ <c oughs> คิดคิดฝึกไว้ก่อนไงถ้าไปบอกเลยมันเหมือนไปอวดไปอะไรเช่เข้าใจใไหมแต่เนี้ยตั้งความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันคลายจริงๆครับโอ้โหไอตัวทิฏฐิก็ดีตัวโทสาก็ดีเนี่ยมันมันคลายยากจริงๆนะเคยหงุดหงิดแม่ไหมครับอยู่กับแม่เคยไหมล่ะ งุดหงิดลูกมแม่ทั้งๆ ท, ท, ที่เราบอกว่ารักไมหงุดหงิดแล้วก็นั่นแหละเป็นคู่เวีนมากที่สุดคือพ่อแม่ลูกๆกันนี่แหละลนั่นแหล ะ, และคู่เวตัวจนียนตัวจริงเลยนะตัวจริงเสียงจริงเลยนี่พ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันนแม่บอกไม่ให้กิน <laughs> ทําไมกินหมอใส่โอเล็งลงเล็งกันทั้งวันเนี่ยเห็นไหมว่ากรณีแบบนี้เราจะเห็นว่า เวลาการประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องทำจริงๆเลยมันต้องถอดรหัสในใจออกมาจริงๆว่าเราโกรธอะไรโกรธใครโกรธทําไมเนี่ยนะบางทีถ้าศึกษามาดีๆก็บอกว่าเราโกรธผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกันแยกองค์ประกอบรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเหล่านี้มันแตกดับไปแล้วไปโกรธใครโกรธทาไมโกรธแล้วมันถูกตัวที่คู่โกรธได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยมันต้องแยกองค์ประกอบขนาดนั้นนะถ้ามีมีข้อมูลจริงๆใช่ไหมถ้างั้นมันไม่คลายนะ มันไม่คลายนะเช่นถ้าได้ล็อกความเห็นว่าอไอ้คนคนนี้ยโกหกมันไม่เอาเลยไอ้คนเนี้นี่บ่งบอกให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการของกระแสชีวิตกระแสชีวิตมันเกิดดับไอ้คนที่โกหกมันก็มันก็แตกดับไปแล้วใช่ไหมกระแสชีวิตที่ใหม่มันไม่โกหกก็ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ทิศถีล็อกเพราะล็อกก็ไม่อยู่กับความจริงเลยทีเนี้ยมันก็กอดกับความเห็นอยู่นั่นแหละว่าไอ้นี้โกหกโกไอ้นี้โกหกมันก็ยึดกับโกรธอยู่นั่นแหละ ทั้งๆ ท, ท, ที่สถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนหมดแล้วมันไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่เปลี่ยนนี่เปนขนาดนั้นเลยนะเวลาไปยึดด้วยความด้วยทิฐิด้วยความยึดติดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวศีลเนี่ยที่จะพูดทั้งหมดเหล่านี้ว่าไม่ใช่รอให้จะล่วงละเมิดจากการฆ่าจากการรักศีลมันถึงค่อยเกิดทีละนิดละนิดมันไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องเดินให้มันเกิดขึ้นจริงๆตั้งเจตนากระตุ้นเตือนให้เกิดขึ้นจริงๆทําให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นผู้เข้าถึงศีลเป็นเนื้อเป็นตัวเลยเนี่ยเป็นศีลเป็นเนื้อเป็นตัวศีลที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่มีชีวิตศีลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันเดินได้จนกลายเป็นคล่องแคล่วนีกุศลจิตเกิดได้อย่างคล่องแคล่วในการกํากับพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่าง อย่างชัดแจ้งเลยอย่างชัดเจนเลยมันเดินได้จริงมันก็จะเกิดสุขที่างนี้นะเห็นไหมว่าศีลเป็นปัจจัยแก่ปราโมดปีติปสัสสติสุขและสมาธิ ม, มันจะมันวิ่งเยอวิ่งขึ้นได้จริงๆด้วยจากปานาติบาสงี้ยงดเว้นจากปานาติบาสวิ่งปื๊ดขึ้นมาได้จริงนะงดเว้นจากการปานาติบาตก็เป็นปลาโมดปีติปสัสสติสุขและสมาธิแล้วก็ไล่ไปถึงปัญญาก็ว่ากันอีกทีให้สังเกตดูนะว่าเอายกตัวอย่างในสถิติฐานเราจะเห็นได้ชัด มีพระรูปหนึ่งใช่ไหมเราศึกษากันมาฟังหลายรอบเนี่ยพระที่ท่านออกบวชแล้วทิ้งทรัพย์สี่บโกรธแล้วต่อมาน้องน้องของภรยออภรยาเออภรรยาภรรยาภรรยาของน้องชายเนี่ยกลัวว่าไอ้พระรูปนี้ท่านจะสึกออกไปไงก็เลยจ้างโจรห้าร้อยตามฆ่าจำได้ไหมทีนี้พอโจรห้าร้อยตามไปท่านไปในป่าพอตามไปในป่าปุ๊บก็จะไปฆ่าท่านท่านก็บอกว่า ท่านขอชีวิต12สองชั่วโมงได้ไหมโจนก็บอกว่ากับผมจะมีอะไรเป็นหลักประกันท่านก็เลยนั่งตรงนั้นท่านก็จับขาท่านวางไว้บนโคนหินแล้วเาก้อนหินมากระทบตึงต้งตึง้งตึ้งโปะหักแล้วก็ยกอีกขาหนึ่งวางก้อนหินทบปึ้งปึ้งปึ้ ง, งหักก็ถามว่าแค่นี้เป็นหลักประกันได้ไหมครับได้ั้มโยมเอาได้โจนก็ไปอยู่กันไกลๆไปไปกินเหล้ากัน <c oughs> ท่านก็มาปาลบ อันดับแรกท่านปลาลบอะไรศีลตั้งแต่บวชมาท่านกุศลศีลท่านไม่บกพร่องนี่แปลว่าท่านเดินอย่างดีเลยนะครับกุศลศีลต้องหนาแน่นมากพอพิจารณาถึงกุศลศีลฟูตอนนั้นทุกเวทนาเนี่ยทุกเวทนาทางกาย ม, มันแทรกไปใจใช่ไหมทางกายยทวานกับ ม, มโนทวานเนี่ยทางกายทวานทุกข์ด้วยมันก็กระเทือน ถึงมโนทวารใจก็เป็นโทมนานะโเวทนาท่านก็พิจารณาศีลปู่เพราะกุศลศีลเกิดปุ๊บเป็นสุขใช่ไหมกุศลศีลมันสุขเวทนาเกวิขเวทนาเนี่ยเป็นหมากุศลเนี่ยออกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ลวทีนี้พอพิจารณาความหนานแน่นของกุศลศีลที่กระทำมาใ น, ใ น, ใ, นในนักบวชเนี่ยไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยเนี่ยปื๊ดมาเนี่ยกุศลศีลเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้ น, ร น, นครับปลาโมดเกิดปีติเกิดสุขสมานัทปัสสทิสุขสมานัทเกิด ท่านเอาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาศีลของท่านเป็นต้นเะไเนี่ยเป็นฐานเป็นที่มั่นท่านก็เดินวิปัสสนาญาณแล้วท่านทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ใช่ไหม น, นี่นี่เห็นน่ะผมบอกว่าพวกเรานี่ครับลองไม่ลองอะไรเอาอะไรสมมติว่านิ้วมันหักโอ้เราลองพิจารณาศีลแล้วให้ข่มทุกเวทนาได้ไหม ถ้าหนาแน่นจริงเ่ยกุศลศีลเกิดขึ้นหนาแน่นและชํานาญในกุศลศีลจริงต้องข่มได้เพราะใครก็ต้องทําได้ถ้าถ้าสามารถฝึกศีลได้ดีจริงๆพราะในชีวิตที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์นี่ไม่ได้ประพฤติผิดในกาไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคาหยาเพื่อเจิดนี่ใช่ไหมไม่ได้ดื่มของมึนเมาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าพระเราก็ทั้งประราชิกศีสังกาทิเศตทั้งหลายเราไม่ได้ร่วงละเมิดเลยมันต้องชื่นใจสิถ้ากุศลศีลเดินจริงมันไม่ได้แค่วิในนะถ้าเดินจริงๆพิจารณาท น้ำตาไหลแล้วครับปีติเกิดแล้วับโอ้โหเราใช่ไหมมันก็ข่มเวทนาได้ข่มทุกเวทนาได้แล้วก็ยังปราโมดปีติปัิสิสุขที่ที่ต้องการพูดให้ดูว่าแต่ละข้อเนี่ยสิกขาบทแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยต้องสามารถเดินขึ้นสู่ปราโมดปีติปฏิสทิสุขสมาธิทุกแต่ละข้อนะครับพิจารณาแต่ละข้อทุกข้อเนี่ยมันต้องเอื้อเอื้อได้หมดแปลว่าพราะเราเราสะอาดบริสุทธิ์เราเราทำได้จริงๆ ถาอยากรรมฐานเจริญแน่นอนที่พูดให้ฟังถ้าทำได้อย่างเงี้กรรมฐานเจริญเนี่ยทีนี้ถ้ามองไม่เห็นเลยมันมืดไม่รู้เลยว่าศีลมันเกิดยังไงเนี่ยก็เขาให้ทําอะไรก็ทํานี่แหละล้วก็ทําดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีนะเราก็มาสวดมน์ล้วก็มาไหว้พระแล้วก็ตั้งเจตนาดีแต่ระลึกแล้วทําไมมันไม่ไม่โอเคเพราะ เพราะสภาพจิตที่เป็นกุศละจิตที่งดเว้นจริงๆความละเอียดอ่อนเห้งการเดินกุศละศีลที่มันเดินได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจริงๆมันไม่เกิดพอมองเห็นนี่ยังงั้นถ้าว่าเกิดจริงๆเราจะในในคอร์สในในในบริบทที่เราจะมาปฏิบัติกันเนี้ยได้ดีแน่นอนอันนี้ามาพูดศีลพอสมควรนวันเฉพาะศีลเนีย ต่อไปจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคำมัฐานพอเป็นหลักนะถ้ามีใครสงสัยตรงไหน ก, ก, ก็อาจจะพูดลวกๆอาจจะข้ามประเด็นอะไรไปเนะี่ยก็ติงๆกันได้เพราะว่าต้องการสื่อให้เราได้ได้เกิดความเข้าใจส่วนในรายละเอียดทั้งหลายเดี๋ยวจะมีพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้ก็จะมาเสริมในการที่จะพูด เจาะรายละเอียดแต่นี่พูดต้องการให้เห็นคร่าวๆอยากจะให้ฝึกเอาไปดำเนินเพื่อให้เกิดได้จริงเอา<ม>เหลือเวลาประมาณ30สนาทีใช่ไหมอ๋อเหลือประมาณ30สกว่านาที4ี่สนาทีเออตรงนี้ต้องการอยากจะให้เรา ไ ด, ได้ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของตัวกรรมฐานกรรมฐานที่เราจะมาเจริญในครั้งนี้อยู่ในหมวดของอารักขกรรมฐานอารักขกรรมฐานก็แปลว่ากรรมฐานเป็นเครื่องรักษาตนอารักขะเนี่คือเป็นเครื่องรักษาตนในที่นี้ก็คือเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัต ให้สงบระ ง, งับให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นถ้าเราเนี่ยให้สังเกต ด, ด้วยที่เรียกว่าอารักกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่เอาไว้อารักษขาตนเองเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องรักษาถ้ามองถึงว่าคนที่เป็นผู้นาทั้งหลายเนี่ย เขาจะมีบอดิกาตในการอรารักขาป้องกันอันตรายใช่ไหมหรือว่าผู้นําทั้งหลายแต่ละประเทศทั้งหลายเหล่านี้เขากลัวอันตรายมากเขาก็จะมีทหาอรอารักขาอย่างผู้นําของจีนผู้นําของอินเดียเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนอรารักขาเพียบถ้าผู้นําของเกาหลีเหนือได้แล้วนี่ขนาดอรารักขาเขาเนี่ยต้องฝึกอย่างดีเลยนะเวลาผู้นําไปในะที่ไหน ห้าสี่บห้าสิบคนเนี่ยต้องวิ่งวิ่งล้อมไปตลอดเวลาต้องวิ่งขนาดรถวิ่งไปก็ต้องวิ่งตามรถเนี่ยอรารักขาไปขนาดนั้น <c oughs> แต่นี้พวกเราเนี่ยเราก็ต้องการจะปลอดภัยจะปลอดภัยจากกิเลสเราจึงต้องมีกรรมฐานมาคอยอรารักขามองออไหมจะต้องมีกรรมฐานมาคอยอรารักขาฉะนั้น ถ้าถามว่าอารักขกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่เป็นเครื่องรักษาทนกรรมฐานเนี่ยที่เป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติให้สามารถสงบระงับและให้อยู่ในความไม่ประมาทเป็นต้นได้ก็คือให้ตัวกรรมฐานเนี่ยคอยอารักขาฉะนั้นในกรรมฐานเหล่านี้ก็จะมีพวกพุทธานุสติมีเมตตามีอัศวพาแล้วก็มีมรณ า, านุสติก็มีกรรมฐานสี่กรรมฐานเนี่ยที่จะใช้เป็นเครื่องอารักขา บางแห่งเขาเรียกว่าสภัสกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จำปราถนาในกิจทั้งหมดหรือกิจทั้งปวงทีนี้ถามว่าในยามใดที่เราเกิดความไม่เชื่อมันนี่พระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่บอกว่าเกิดความกลัวขนพองสยองก้าวขึ้นมา ยามใดที่เธอเกิดความกลัวเกิดความขนพองสยองก้าวขึ้นมาเกิดความหวั่นไหวในจิตใจขึ้นมาในยามนั้นนี่เธอนึกถึงเราใช่ไหมให้นึกถึงว่าพระเจ้าเป็นผ้าอาหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ทั้งองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาแเจริญสิหเมื่อคิดอย่างนี้แล้วความกลัวความขนพองสยองก้าวของเธอนนั้จะอันตรธานหายไปเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่มีราคาโทสะโมหะพระเจ้าเลยเปรียบเทียบกับบรรดาลูกน้องรองเท้าสาก่าปเป็นต้นเหล่านี้ เวลาไปออกรอบทั้งหลายถ้ากลัวให้นึกถึงเท้าสกายตัวกลัวให้นึกถึงผู้นําเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการนึกถึงเท้าสกายเป็นต้นอะไรเนี้ยก็ไม่สามารถขจัดความกลัวบางครั้งก็ได้บางไม่ได้บางเพราะอะไรเพราะผู้นํายังมีราคะโทสะโมาหะอยู่แต่ถ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ผบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดถึงเราคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้แล้วความกลัวความขนพองสยองก้าวทั้งหลายจะอันตรธานหายไปเพราะเรา ปราศจากราคาโทรศัโมหะซึ่งซึ่งหมดจากความกลัวแล้วเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่อารักขาในยามที่หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดความสะดุ้งกลัวค้นปองสยองก้าวยังไทีนี้ในยามใดที่เกิดความเครียดโกรธหงุดหงิดเนี่ยกรรมฐานที่จะเป็นเหตุแห่งการแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือเมตตาเจริญมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรทํา เมตตายเกิดขึ้นในกระแสของความคิดกระแสชีวิตแล้วความทุกข์ความเครียดความกุ้มทั้งหลายก็จะอนัตตานหายไปนี่ก็เป็นอารักขารักษาผู้ปฏิบัติไว้รักษากระแสชีวิตนั้นไว้ไม่ให้ตกลงไปในความชั่วด้วยอานาจของกิเลสเป็นต้นถ้ายามใดเกิดความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาในสีเสียงขิ่รถในยามนั้นเธอทั้งหลายให้มนตสิการถึงอสุภกรรมฐานจะเป็นอสุภะที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ถ้าอาสุภะที่ไม่มีชีวิตกันนี่ไงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายแยกองค์ประกอบให้เห็นความจริงของรู ป, ปรขันให้เห็นความไม่งามเจาะเข้าไปนามธรรมายังไม่งามเลยราคาโทรศัพทโมหะก้มรวมมันก็ไม่สะอาดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเจาะดูรูปธรรมเนี่ยชัดผมขนเล็บฟันเนี่ยไม่งามโดยที่ตั้งอะไรทั้งหลายก็ว่าเป็นต้นเนี่ยจิตก็จะคลายจากความกำหนัดยินดีและเพลิดเพลินถ้ายามใดเกิดประมาทมัวเมาในชีวิตในความเป็นอยู่ สำคัญว่ากระแสชีวิตมันจะดำรงอยู่นานอย่างนี้เป็นต้นให้นึกถึงมรณานุสติคิดถึงการชีวิตตินทิยปัจเจียพมรณะเนี่ยการขาดลงของรูปรชีวิตและนามชีวิตของพบหนึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็มองเห็นการเปลี่ยนพบมันเร็ ว, เ ร, วเร็วมากเชื่อไหมครับเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกชั่วหายใจเข้าเนี่ยคนตายไม่รู้กี่ร้อยล้านหมู่สัตว์ที่มีชีวิตเนี่ย แล้วก็กําลังเกิดใหม่ไม่รู้เท่าไหรใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือเปลี่ยนพบเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าตายกันมากมายจริงๆแค่เรานั่งหายใจเข้าทุกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเนี่ยและเราเนี่ยเป็นเพียงขันหขันหนึ่งกระแสชีวิตกระแสหนึ่งซึ่งมันอ่อนแอมากไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยจุติเนี่ยเกิดได้ต่อจากชชนะต่อจากตาาบนาะต่อจากพวังต่อได้หมดแหลนะโชณะจติ รวังจุติตถาจุติหรือระวังชวนาระวังจุติอะไรเป็นต้นเลยเนี้ยมันพร้อมที่จะเปลี่ยนพบได้ตลอดเวลาในอีกอ ก, การขาดลงของรูปบชีวิตแลนะหนามาชีวิตบางคนก็ตั้งไวท้ที่ลูกจบแ ล, แล้วเราจรึงจะเข้าวัดบ้างบางทีอายุเท่านั้นจะเข้าวัดเวลานั้นจะปฏิบัติเนี่ยตั้งไว้เหอะแต่ความจริงจริงๆเ่ยทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกสัตว์ตายกันอยู่ทุกๆขณะและเราอ่ะมีอะไรต้านทาน เอาอะไรมาต้านทานเอากําลังช้างกําลังม้ากําลังรถหรือกําลังของอะไรไม่สามารถต้านทานได้เลยไหมจักระพัฒ์ก็ต้านทานความตายไม่ได้เศรษฐีมหาเศรษฐีต้านทานความตายไม่ได้สาวกบารมีญาณในระดับอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายตั้งต้านความตายได้ไหมปัเจกัโตริยานยังตั้งสัมมาสัพโตริยาณก็ยังต้องตายเลยทีนี้เป็นต้นและป่วยก่าวไปยายคนบุญน้อยๆกระจกกระจกอย่างเราทั้งหลายเนี่ยนะบุญแบบนี้นะ การความตายได้กี่วันได้กี่เวลาได้กี่ขนาดพอพิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราควรระดมความเพียรวันนี้ขณะ น, นี้มันเกิดขึ้นใดีเลยเนี้ยเพราะความตายเนี่ยจะมาถึงหมู่สัตว์เมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในยาบทยืนก็ตายได้เดินก็ตายได้นั่งก็ตายได้นอนก็ตายได้ตอนหายใจเข้าตายหายใจออกแล้วตายได้ทุกๆฉะนั้นควรมนานสิการอยู่กับกุศล มานาสการอยู่กับอยู่กับสติให้สติกำหนดหมายในคุณความดีในกุศลแธรรมไว้อย่าให้สติหลุดจากกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นการตายของเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดเอออย่างงี้มันมาถึงแน่เงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนั้นคืออารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะต้องมาทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองเพื่อจะเป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานต่อการที่จะเข้าสู่ปริหาริกากรรมฐาน กรรมฐานที่เป็นพื้นฐานตรงนี้มันเหมือนกับนักกีฬาทุกประเภทฟิตซ้อมตลอดเวลาไปแข่งจริงเนี่ยมันแป๊บเดียวนะแข่งจริงๆเนี่ยมันจะชนะไม่ได้เลยเนะไม่ว่านักวิ่งก็ดีนักฟุตบอลก็ดีนักมวยก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขาดการฝึกซ้อมให้ติดต่อและต่อเนื่องแต่แล้วเนี่ยเวลาไปเล่นจริงๆไปไม่เป็นฉะนั้นกรรมฐานที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตในชีวิตจริงอ่ะ ในกิจกรรมทุกๆอย่างท่านจึงวางสัพพะทักกกรรมฐานหรืออรหกกรรมฐานเอาไว้ก็เลยวางพุทธานุสติมรณานุสติเมตตาและอสุภะอันนี้พอจะมองเห็นนะ น, นี่นี่เป็นกรรมฐานที่จําปาถนานในกิจทั้งหมดทีนี้พวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติกันในครั้งนี้ในคราวนี้เราต้องการเอากรรมฐานเมตตากรรมฐานเป็นทั้งอรหกกรรมฐานเป็นทั้งปริหาริกกรรมฐาน ก็หมายความว่าในกิจกรรมที่เราจะยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายทํากิจกรรมทั่วทวไปทั้งหลายเนี่ยเราจะทําใจเดินเมตตากรรมฐานให้ติดต่อและต่อเนื่องแม้ไปทําหลักเป็นหลักเป็นกิจจลักษณะเหมือนกับขึ้นไปแข่งขันจริงๆอย่างนั้นนะก็จะใช้เมตตาเป็นกรรมฐานเป็นปริหาริการกรรมฐานด้วยก็คือทั้งออกจากที่ไปฝึกฝนอย่างแท้จริงมาอยู่ในชีวิตประจําวันก็จะเดิน พระมิหารกลุ่มคือเมตตาเนี่ยเหตผลเพราะอยากจะฝึกให้เมตตาเนี่ยมันติดเป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้ติดจนเป็นกระแสชีวิตและอยากจะปลูกฝังเมตตาอัญเชิญเมตตาพระมวิหารที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเอามาประชมในกระแสชีวิตที่เราอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยแห่งเนี้ยที่ มูลนิธิตามรอยบาตรภาษาสระดิจัดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีเมตตาเนี่ยเกิดขึ้นต้องการให้ทําเมตตาให้เกิดขึ้นให้สะเทือนสถานทั่วศูนย์ทีเออต้องการให้ขับเน้นให้มีพรหมวิหารเนี่ยเดินได้จริงนะลองคิดดูว่าหนึ่งเมตตาก็ยังมีพลังมหาศาลถ้าเจชีวิต80ชีวิตเนี่ยนะเมตตาจิตเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องจะมีพลังขนาดไหนจะมีพลังมาหึอมาเลยนะ ทุกคนมีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีฉันทามติร่วมกันว่าเราจะทำพุทธาพิเศกพุทธาภิเศษคืออะไรรู้ไหมก็คือเสกอภิเษกกระแสะชีวิตของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในเมตตาให้มีเมตตาแล้วก็ให้มีเมตตาในชีวิตจริงๆเลยนะเมื่อเมตตาจิตเป็นมโนเป็นมโนกรรมที่แข็งแรงแล้ว จะดูก็ดูด้วยเมตตาจะฟังก็ฟังด้วยเมตตาจะยืนก็ยืนด้วยเมตตาจะเดินจะนั่งจะนอนยังไก้าวไปถอยกลับเมตตาก็เป็นตัวผลักใหก้ก้าวไปถอยแลตรงแลเหลี่ยวก็แลตรงแลเหลี่ยวด้วยเมตตาโคเข้าเหยียดออกก็โคเข้าเหยียดออกด้วยเมตตากินด้วยเมตตาดื่มเคี้ยวเลีมด้วยเมตตาทายอุจจาระปัสสาวะก็ทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่ง ใช้เมตตาพรมิหารเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นไปในการเอียบททั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นด้วยถ้าทำได้จริงๆนะโอ้โหเมตานี่สถานสะเทือนมาดังไปน้นยมันมีพลังอย่างมหาศาลนะคิดว่าจะไหวไหมไหวห้ามทำหน้าแบบนี้เลยเมตตาในใจเนี่ยมันผากออกมา พูดถึงโทสะนะโทสะเนี่ยตรงกันข้ามกับเมตตาใช่ไหมไอ้ตัวโทสะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นในใจมันจะเครียดมันจะกรุ่นอยู่ในใจใช่ไหมมันประทุสร้ายอารมณ์ประทุษร้ายใน จ, ใจิตใจไอ้ตัวโทสะเกิดขึ้นตัวเดียวนี่นะเวทนาขันก็เครียดไปด้วยสัญญาขันก็เครียดไปด้วยสังขาระขันวิญญาณขันเครียดไปด้วยบรรดากลุ่มชาวนะทั้งหลายโอ้โหเวลามันเกิดหนานแน่นเป็นยังไงจากเกิดน้อยน้อยแล้วพอหนาแน่นเข้าหนาแน่นปุ๊บ หน้านิ้วคิ้วขมวดใช่ไหมนี่แปลว่ามันผักออกมาเป็นรูปประธาเป็นอกศุศลจิตตชโลปเป็นหน้า น, านิ้วคิ้วขมวดแล้วเอาไม่หยุดมันผักต่อผักต่อไปค้างสันแล้วค้างสันแล้วนะทีนี้พอผักต่อไปเรื่อยๆๆๆไม่ยอมหยุดปุ๊บเปล่งวาจาชั่วร้ายออกมาแล้วหยุดไหมอาะไม่หยุดต่อไปอ่ะมองซ้ายมองขวาหามีดหาค้อนหาอะไรแล้วหาอาวุธแล้วเอาผักต่อไปลุกขึ้นมาไปหยิบ เดินเดินเดิ น, ดนมันผักกันไปนะไปหยิบมีดหยิบค้อนหยิบอาวุธพอหยิบมีดหยิบค้อนหยิบอาวุธหยิบไม้ขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บผักต่อไปเนื้อแล้วีนึงืเงือเเง้อพอเนื้อไปไปเสร็จปุ๊บมาฟาดฟันในตัวสัตว์ทั้งหลายแทงในตัวสัตว์ทั้งหลายยิงในตัวสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมให้เขาเจ็บให้เขาตายผักต่อไปอีกฆ่าตัวเองหนึ่งเห็นไหมว่าแม้โทรสารเนี่ยปริมาณที่เกิดถ้าหยุดมันไม่ได้ มันก็จะมีปริมาณที่เกิดขึ้นอย่างหนาแ น, น่นตรงกันข้ามถ้าเราเดินเมตตาพอเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาทำลายปฏิฆะใช่ไหมพอเมตตาเนี่ยลักษณะเขาก็คือรักปรารถนาดีเอือ้อทอนปรารถนาจะหยิบยื่นประโยชน์ให้กับตนเองและบุคคลอื่นในใจมันเป็นว้กับเมตตา เ, เมตตาเนี่ยทีนี้พอเมตตาเกิดขึ้นมากขึ้นเขาทากิจยังไงทาลายเลยทาลายปฏิฆะ ทำลายโทสะทำลายความแต่ทำลายความโกรธให้ให้หลุดลร้อยพอทำลายมากๆนะเ ข, เขาสกัดสภาพจิตเป็นเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ใจแล้วหน้าไม่นิ้วคิ้วไม่เข่ามวดปากคางไม่สันแล้วไม่เปล่งวาจาชั่วแล้วมันจะทําให้กุศลจิตจะฉลุบในร่างกายตัวเองเนี่ยผ่องมากเลยสภาพกายกรรมวจีกรรมทังางๆเขาบอกว่าอาการปรากฏของเมตตาที่บอกเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญใช่ไหม พระจันทร์วันเพ็ญที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าเวลาเรามองตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีความสุขใจเย็นใจอย่างใดตัวเมตตาก็จะเป็นอย่างนั้นสภาพเมตตาเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะผลักดันพฤติกรรมทางกายก็เป็นกายเมตตากายกรรมพูดออกมาก็เป็นเมตตาวิจิกรรมคิดทุกครั้งก็เป็นเมตตามนโนกรรมนั้นเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมในการทําการพูดการคิดการกินการดื่มการเคี้ยวการริ้มทั้งหลายเมตตาจะมีพลังมากที่จะยิ่งเราให้อาหารของเมตตา โดยเฉพาะก็คือตัวเหตุใกล้ของเมตตาก็คือมองโดยภาวะที่เห็นจุดเด่นมองไปที่จุดเด่นของหมู่สัตว์ทั้งหลายได้ง่ายเป็นคนฉลาดนะคนที่เดินเมตตายกตัวอย่างคนบางคนมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่พฤติกรรมทางวาจาทางใจดีก็จะมองไปที่พฤติกรรมทางใจและวาจาใช่คนบางคนมีพฤติกรรมทางกายดีแต่พฤติกรรมทางวาจา ทางใจไม่ดีเขาคิดยังไงเหมือนกับพระใช่ไหมครับพระภิกษุที่เดินไปไปเห็นผ้าเปื้อนฝุ่นชายผ้ามันขาดท่านทำยังไงรู้ไหมท่านใช้เท้าเหยียบใช้มือจับฉีกปุ๊บเอาส่วนที่ขาดทิ้งไปเอาส่วนที่ดีมาซักมาย้อมมาเย็บทำประโยชน์ได้เยอะเลยแม้ฉันใดคนบางคนมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่ทางวาจาทางใจดีก็ใช้ความรู้สึกตัดส่วนไม่ดีนั่นออก มองส่วนดีเอามาเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจตนเองให้ใจตนเองเดินกุศลได้ตนเองได้ความดีจากการได้มองได้เห็นสิ่งที่ดีๆนั้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ตัดออกเนยนะปิดไม่ให้บาปมันเกิดคนบางคนมีพฤติกรรมทางวาจาดีแต่ทางกายวาจาไม่ดีแต่ทางกายกายดีทางใจดีเหมือนนี่อะไรเหมือนเราเดินไปบุคคลเดินไปไปเห็นเห็นน้ำเนี่ยมีจอก ไอจอกไอมีมีจอกแหนเต็มไปหมดทําไงเขาต้องการดื่มอะหิวอ่ะเขาก็วิทเอามือแหวกจอกแหนออกแล้วก็วิทน้ําขึ้นมาดื่มมาอาบมากินมารูปตัวเขาได้ความสุขใช่ไหมแม้ฉันใดคนบางคนมีพฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่ทางวาจาเ อ, อิทางทางวาจาไม่ดีแต่ทางกายทางใจดีก็เหมือนกันก็ตัดแหวกแหวกส่วนไม่ดีออก เอาส่วนดีๆมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้มีความสุขสมณะให้เป็นไปกับเมตตาได้คนบังคนมีพฤติกรรมทางกายก็ไม่ดีทางวาจาก็ไม่ดีแต่ทางใจดีเหมือนอะไรนะเหมือนเราเดินทางไกลไปเจออะไรนะวัวมันเดินเหยียบเข้าไว้ควายเหยียบเข้าไว้มีรอยวัวรอยควายอยู่ฝนมันตกใหม่ๆมีน้าขังอยู่นิดเดียวนะแต่เราหิวทำไงค่อยนอนราบลงเนะนื้อฝนน้ามันบ่อน้อย นอนลาบลงก็ก็ใช้ปากเขาไปดูดดูด ด, ดูกินอิ่มแล้วก็เดินไปได้แม้ฉันดใดในใจมันเห็นยากนะในใจของมนุษย์บางคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ดีเลยแต่ในใจเขามันมีความดีเยอะนะในใจเขามีความดีแล้วก็พิจารณาถึงความกตันยูกระตะเวทีคิจรจาถึงคุณธรรมเขาพิจารณาความรับผิดชอบมันมีอีกเยอะใช่ั้ม ถึงแม้จะเห็นยากเลยต้องใช้ยานปัญญาเจาะเข้าไปเห็นเพื่อจะเอามาเป็นประโยชน์แก่ใจเราเราจะได้มีความสุขทางด้านจิตใจมีเมตตาในทางด้านจิตใจนี่เป็นงี้เป็นต้นทีนี้ถ้าสุดท้ายไปเจอคนมีพฤติกรรมทางกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีทางใจก็ไม่ดีเลยทําไงต่อทําไงรู้ไหมครับเหมือนเราเดินไปในหมู่บ้านกันดารไปเจอไอ้เจ้าคนเนี้ยมันป่วยใกล้ตายป่วยใกล้ตายแล้วนะครับ ไม่มียาไม่มีหมอไม่มีคนดูแลเลยทําไงก็ให้พิจารณาตั้งกรุณาว่าหน้ากรุณาโนคนคนนี้เป็นนี้ตั้งจิตปรารถนาขอให้เขาได้ยาดีขอให้เขาได้หมอดีขอให้เขามีคนดูแลที่ดีขอให้มีคนพาเขาไปหาหมอไปรักษาให้หายโดยเร็วเถอะ เห็นไหมแม้แต่เห็นคนที่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะต้องลงอบายทุกติวิธิบาสนรกเขาจะต้องเจ็บปวดในสังสารวัฏเขาจะต้องประสบปัญหาชีวิตอย่างมากมายเพราะกรรมชั่วดีทํานั้นขอให้เขาได้เจอการยานมิตรที่ดีขอให้เขาเจอเพื่อนดีๆขอให้เขาเจอข้อมูลคําสอนที่ดีขอให้เขาหลุดจากอบายทุกติวิธิบาสนรกโดยเร็วเถอดเป็นยังไงเงี้ยวิธีคิดใช่ไหมถ้าเรามองตามหลักคําสอนเนี่ยไม่ว่าจะเจอคนประเภทไหน ก็ยังเมตตาทำให้เกิดขึ้นในใจได้ถ้าทำอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะเดินเมตตาพรหมวิหารในชีวิตจริงได้นี่คือต้องการให้เราเอาไปใช้ให้ได้เกิดได้จริงๆในชีวิตจริงๆว่ามาในครั้งนี้อยากให้ทุกคนหรือปรารถนานะให้ทุกคนฝึกเป็นกรรมฐานทั้งเป็น สัพพะกะการรมฐานเป็นอรักขกรรมฐานให้เมตตามาคอยอารักขาเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายจะได้ปลอดภัยจากกิเลสและกองทุกเนี่ยให้อัญเชิญกรรมฐานนี่มาเป็นบริการมาเป็นคอยคุ้มครอง ร, รักษากระแสชีวิตเราจะได้ปลอดภยัยเราจะได้ไม่เสียหายจากกิเลสทั้งหลายที่มาคอยโจมตีเราเนี่ยนะทุเจดิตทั้งหลายจะมาโจมตีเราบาปอักศรกรรมชั่วร้ายทั้งหลายจะโจมตีเราให้มีสติในการ รักษานะดึงเมตตามาแล้วก็รักษาเมตตานี้ไว้แล้วก็พยายามให้อาหารตั้งเจตจานงความจงใจตั้งใจจะพอกพูนฝึกทำเมตตาให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องแล้วทำให้มีพลังจริงๆนะไม่ใช่เมตตาแบบกระปิดกระปลอยอ่ะกระปิดกระปลอยก็คือว่าสังเกตตัวนะว่ามันไม่ออกมันเป็นเรื่องยากนะ ไม่ใช่ง่ายนะกรณีที่เราจะให้เมตตามันเกิดขึ้นได้จริงจริงเนี่ยมันต้องมีการกระบวนการทั้งการฝึกการฟังการเอาไปฝึกฝนไปพัฒนาจริงๆรนะมันถึงจะเกิดใช่ทีนี้การที่จะทำให้เมตตาเกิดได้นะหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกการการซ้อมหรือการฟังให้เกิดความเข้าใจดังที่ได้กล่าวว่าเพราะว่าเรามาในคราวนี้เราต้องการอยากจะทาให้เกิดได้จริงๆ ที่ถ้าก็าเมตตามีความรักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนให้เกิดเกิดได้นี่นะเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวเมตตาเนี่ยที่เราจะมาเจริญเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเจาะรายละเอียดว่าเมตตามันต่างจากตัณหายัางไงเมตตาเป็นไปจากปากต่อปฏิฆะยังไงเนี่ยเพราะเราเราจะเจริญเนี่ยจะตั้งเจตจํานงความจงใจตั้งใจให้เมตตามันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเชื่อมโยงมาจากการที่เรารักษาศีลอย่างไงเนี่ยก็ต้องต้องไปดูในรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่า ศีลที่เราจเจริญมาเรารักษามามันจะเ อ, อื้อมันจะเกื้อกูลต่อการที่เราจะทำให้เราเดินเมตตาได้สะดวกได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นคิดว่ายากไหมครับยากไหมเคยฝึกให้เมตตาเกิดจริงๆไหมยอมยากไหมพร้อมไหมเนี่ยอยากจะเดินกรรมาฐานเมตตากันเนี่ยพร้อมไหมที่มาครั้งนี้พร้อมเออฟังแล้วน่าชื่นใจนยะยอมพร้อมไหม เห็นประโยชน์ของเมตตาัหมเห็นไหมเห็นว่าเมตตามีประโยชน์เมตานี่มีประโยชน์หรือไม่มีมีประโยชน์เนี่ยแล้วก็รู้ไหมว่าเราเนี่ยเมตตาน้อยรู้เนี่ยเรายังขาดเมตา ก, กันเยอะอีกใช่ั้ยเล่เรากล้าประกาศบอกคนอื่นไหมอย่ามายุ่งกับฉันมากนะฉันเป็นคนมีเมตนาน้อย เมตตาเป็นอริยทรัพย์ไหมเป็นอริยทรัพย์ด้วยนะดะนั้นเราต้องการอยากจะพอกพูนทําเมตตาให้เกิดขึ้นจริงๆก็ที K นี้เมตตาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทํามองไปในหมู่สาสตร์ทั้งหลายต้องเห็นถ้ามองจุดเด่นมองจุดเด่นของคนได้ง่ายเมตตาจะเกิดง่าย ถ้าใครมีความชำนานในการมองจุดด้อยของคนได้ง่ายโทสะจะเกิดง่ายเราเป็นคนกลุ่มไหนมองฟุบไปที่คนเนี่ยเห็นจุดเด่นปุ๊บ ก, ก่อนหรือเห็นจุดด้อยก่อนนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละปัญหาตรงที่มองทีไรแล้ว จ, จุดด้อยมันโผล่พวดขึ้นมาทันทีเลยอันนีเน้เป็นความชำนาญพิเศษอย่างหนึ่งของหมูสัตที่ไม่ได้ฝึกเมตตาจิต มีความพิเศษมากก็คือว่าถ้าจะไปมองคนคนนี้ดีอ่ะเขาสามารถแคะแก่깨깨เกาเห็นความชั่วในคนคนนั้นได้มันไม่ธรรมดาใช่ไหมนี่เป็นความสามารถความสามารถของอะไรของทิฏฐินะของตัณหาของมรณะของทิฏฐินั้นเขาจะประมอยมองมองแบบระแวดระวังมองแบบกลัวมองแบบอคตินี่นะฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติเป็นต้นเอะไรเนี่ย จริงเพราะวิหารเป็นตัวตัดอคติแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องเมตาก่อนดังนั้นคนบางคนเวลามองจุดเด่นคนได้ง่ายเนี่ยก็จะเอื้อต่อการที่จะทําให้เมตตาและในขณะเดียวกันถ้าไม่ระวังเห็นจุดเด่นง่ายๆก็ตัณหาก็เกิดง่ายเหมือนกันเออตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องคอยเจาะดูรายละเอียดนิดแต่จริงๆและว่ายังไงยังไงต้องฝึกมองจุดเด่นก่อนวิธีการที่จะฝึกเมตตาทำโยนีโสมรสิการเนี่ยในการที่คิดเห็นจุดเด่น เช่นเห็นกายกรรมที่ดีของเขาเห็นวิจีกรรมที่ดีของเขาเห็นมโนกรรมที่ดีของเขาเห็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจหลินบุคลิกภาพที่ดีๆของเขาเห็นความดีของเขาที่เขาทำเนี่ยมองเห็นได้ง่ายจะเอื้อต่อการที่จะทําให้เมตตาจิตเกิดในเราได้ง่ายในขณะที่มองคนอื่นฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเวลาเดินเมตตาเขาถึงต้องให้เดินให้คิดถึงตัวเองก่อนเพราะมนุษย์ในรักตัวเองไหม การรักตนเองไม่มีใครเกินมนุษย์สัตว์อื่นใช่ไหมรักอื่นเสมอโดยตนไม่มีเนี่ยทําไมมนุษย์จึงรักตนเองอ่าทําไมถึงรักตัวเองคนบางคนบอกรักลูกมากจริงไหมรักลูกมากกว่ารักตัวเองยอมตายแทนลูกได้จริงไม่จริงถ้าจะตายเนี่ยขอให้ตัวเองตายก่อน ไม่อยากให้ลูกตายก่อนเพราะอะไรเพราะตนเองรักลูกมากบางคนอยากให้แม่ตายก่อนเพราะบอกว่ารักแม่ถ้าตนเองตายแล้วไม่รู้แม่จะอยู่กับใครเียนะมีข้ออ้างเยอะแยะแต่ทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกถึงความรักตนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าแม่ตายก่อนคนที่ทุกข์คือเราความภาวะที่สัตว์ทั้งหลายไม่อยากจะทนอยู่กับความทุก ก็เลยไพร่ไปบอกว่ารักแม่มากเหมือนการกรณีที่เราเนี่ยเราต้องการถ้าเราไปบอกว่ารักใครสักคนเนี่ยเราพยายามอยากจะดูแลเขาเทคแคร์เขาอยากจะไปประคบประหงมเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขในตัวเองไงใจของตัวเองนมีความสุขเราต้องการจากพันเนาพันอ กอดรัดวันอย่างกับความสุขในใจของตนเองเนี่ยเราอยากจะให้อย่างยกตัวอย่างเช่นผมรักพระมากเลยนะผมอยากให้พวกท่านปฏิบัติดีเพราะถ้าท่านปฏิบัติไม่ดีเมื่อไรผมทุกข์ผมเครียดผมไม่อยากให้ผมทุกข์ผมก็เลยไปบอกว่าท่านช่วยทำดีๆหน่อยได้ไหมช่วยนั่งให้เรียบร้อยช่วยฟังให้เรียบร้อยช่วยเรียนธรรมะช่วยเอาจริงเอาจังการปฏิบัติหน่อย พราะถ้าท่านไม่ปฏิบัติขึ้นมาผมเครียดตลอดเลยอ่ะมี่แปลว่าอะไรผมรักโดนใช่ไหมผมรักความรู้สึกของผมตรงเนี้ยผมก็ไม่อยากให้ความรู้สึกเสียๆของผมมันเกิดผมอยากให้ความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นผมเลยไปแต่ผมเอาความรู้สึกผมไปฝากไว้กับพวกท่านไงท่านช่วยนั่งให้เรียบร้อยหน่อยได้ไหมท่านท่านช่วยตั้งใจฟังหน่อยนะถ้าผมมาพูดเนี่ยท่านนั่งหลับสับ ป, ประหงไม่สนใจใครเครียด ผมเครียดผมก็บอก ท, ท่านจงเห็นใจผมเถอะช่วยนั่งฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องท่านกระทํทาัทีทําท่าดีจนเกินดีจริงๆอย่านี้นี่นี่พัะเนาพันนอความรู้สึกตัวเองแบบเนี้ยเนี่ยความรักตนมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วโอ้จริงๆแล้วเนี่ยกระแสชีวิตเนี่ย ใ น, นกระแสชีวิตที่ความถ้าเข้าใจความจริงของกระแสชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมองความจริงตามบริบทความจริงนั้นๆเหมือนเมตตาเนี่ยเห็นไหมเมตตาก็เห็นความจริงนะไม่ใช่ไม่เห็นเมตตาเกิดเช่นไปเห็นเมตตาไปเห็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเขาในส่วนที่ดีก็เมตตาเกิดทีนี้การที่เราจะไปมองเห็นส่วนดีนี่แหละมันต้องใช้ปัญญาใช้ความรู้ความเข้าใจในการก็ไปมองเพื่อจะได้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงทําให้เมตตาจิตเกิดได้งา่าย อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นที่ถึงบอกว่าเวลาเราคิดถึงตนเองที่บอกว่าอหังสุขีโตโหมิขอยข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหังอเวโรโหมิขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีเวีต่อใครๆเลยต้องเข้าใจด้วยนะขอยมีความสุขเนี่ยความสุขกายความสุขใจสุขนั้นเป็นกุศลนะสุขในนั้นคือกุศลละสุข อาหารเวโรโหมี uh huh. oh ขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครอย่าได้ใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของของตนเองเนี่ยเ uh huh. ที่ยวไปฆ่าไ ป, าไปลักไปประพฤติผิดกา ร, รอย่าได้ไปผูกเวรอย่าได้ไปทําอคติลกรรมใดๆกับใครอีกเลยหยุดเสีทีหยุดเสีทยทีนับตั้งแต่ขณะ น, นี้เวลานี้เป็นต้นไป uh huh. oh อาหารอพยาประโชหมีขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายกับใครๆเลยคืออย่าให้โทสะจิตเกิด เที่ยวไปคิดไม่ดีกับคนอื่นกระแสชีวิตกับคนอื่นอีกเลยมันไปกระทบเขานะเช่นนะครับฉันไปใช้โทรศจิตไปคิดไม่ดีกับโยมโยมก็เป็นผู้มีศีลคุณสมาธิคุณพอสมควรใช่ไหมไอ้โทรศัจิตก็ไปกระทบกระทั่งคุณดูสิไม่รู้บาปไม่รู้เลยคนคนนี้เขาบําเพ็ญบรารมีมายัางไงเจริญกุศลอย่างไงเราตัดสินคนแค่ตาเห็น พอเขาทําไม่ดีหน่อยก็ไปโกรธไปจิกเขาไปตีเขาไปปัสสาวะให้เขาโอ้โหเนี่ยไม่รู้เลยเกิดไปโกรธพระโพะธิสัตว์ขึ้นมาจะทํำยังไงเน้ะเนี่ยทำไมจิตนี้มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันมึนขนาดนี้เนาะเนี่ยใช่ไหมแม้สัตว์เดรัจฉาน ย, ยังเที่ยวไปโกรธนี่เองนะพระโพะธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่เล็กกว่านกกระจาบอะไรเงี้ยนะไม่โตกว่าช้างเอาไปโกรธพระโพริสัตว์ขึ้นมา วนตกนรกแท้น้อ ย, อยนี่นี่นติงติงจิตตัวเองไม่รู้แค่มองผิวเผินแค่นี้ก็เที่ยวไปโกรธคนนั้นบ้างเกลียดคนนี้บ้างคิดประทุษร้ายคนนี้ว่าแหมโทสะนี่มันโง่จริงๆนะเพราะโทสะมีโมหะครอบงมใช่ไหมเพราะโทสะจิตเกิดขึ้นเที่ยวโง่โกรธคนไปทั่วเกลียดคนไปทั่วอาฆาตพยาบาทคนไปทั่วดูสิเนี่ะเที่ยวเหวี่ยงอะไรไปทั่วไปประทุษร้ายคนมีคุณ บางทีโกรธพ่อเงี้ยโกรธแม่เงี้ยโกรธพ่อแม่ในเดียตชาติก็เพราะว่าโกรธพ่อแม่ในปัจจุบันก็อยู่โอ้โหเนี่ยโทสะขนาดนั้นไม่รู้คนขนาดนั้นเลยนะเนี่ยคนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ก็เยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จักสังสารวัสดไม่เข้าใจความจริงของกระแสชีวิตไม่รู้จักพระธรรมคำสอนของพระเจ้าศึกษาคำสอนพระเจ้าก็ได้แค่ฉาบฉวยแล้วก็ลืมแล้วก็ลืม พอไปเจอหน้าคนอื่นพี่เทวีโกรธเขาอีกทั้งๆ ท, ท, ที่พระเจ้าก็บอกว่าในสังสารวัตเบื้องต้นที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่บูตายาใหญกันหาได้ยากเหลือเกินจากพุทธยานที่ส่องดูแล้วเนี่ยแล้วยังพอโกรธขึ้นมาลืมหมดนะนะลืมพุทธโอวาทหมดเลยนะเนี่ยเป็นต้นเตรเนี้ยฉะนั้นตรงนี้ไอ้โทสะเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเที่ยวไปเจาะทะลุทะลวงไปเบียดเบียนไปคิดประทุษร้ายคนตลอดเวลา เห็นไหมขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทคําว่าขอเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนนะต้องเข้าใจศัพท์นี่นะตั้งใจอ่ะนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้จิตอาฆาตพยาบาทปองร้ายเกิดขึ้นอีกจนกว่าจะถึงจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบอันเดียวกันก็คือสมาทานจะไม่ให้เกิดถามว่ากล้าไหมกล้าตั้งแบบนี้ไหมยอมกล้าไหม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบกล้าไหมกล้าไม่กล้าเนี่ยความไม่กล้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่อ้อยอิงต่อการปฏิบัติธรรมเขาให้กล้าเปิดเลยยอมกล้าเปิดสมาทานนะทำให้กุศลมันเข้ามาในใจเต็มที่เลยบางคนบอกเอาถ้าทําไม่ได้ล่ะเอาไว้กันข้างหน้าว่ากันใหม่ตั้งใจใหม่แต่ตอนเนี้ยกล้าจริงๆ เด็ดเดียวจริงๆเขาให้ประพฤติทมกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวโยอมจะลองฝึกดูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่มีทางประสบการณ์สำเร็จเดี๋ยวจะค่อยเป็นค่อยไปคือกุศลเนี่ยยอมจะเป็นกุศลก็ให้กุศลเลยใช่ไหมต้องออกจากมันเลยแล้วให้เป็นกุศลทันทีเลยได้ในขณะนี้ก็โอเคแล้วชัดแล้วแต่ขณะต่อไปไม่ได้ก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่แล้วยอมจะแข็งแรง อย่าอ้อยเองอย่าคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปีหน้าเพอๆก็เดี๋ยวชาติหน้ายุ่งเลยเลยนะงั้นวันนี้ขนาดเนี้ยยอมตั้งเลยนะให้เมตตาจิตเกิดจริงๆตั้งใจอย่างเงี้ยนี่จะหมดเวลาแล้วยอมลองฝึกกันนิดนึงนั่งหลับตาหน่อยดีกว่านี่เนี่ยลองฝึกกันสักสองนาทีสามนาทีแม่ให้มามองไม่เห็นอะไรกาเอ้ยยังไม่ฮะ อ้าวเดี๋ยวตั้งใจหน่อยนั่ ง, งเดี๋ยวแผ่เมตตาให้กับตัวเองเดี๋ยวมานำให้นะนำในใจโยมก็ว่าตามในใจนั่งหลับตาหรือทำจิตให้สงบนะเออถ้าพระจะไปรับบาตรก็ไม่เป็นไรนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝึกแค่ให้ให้โยมฝึกกันสักสองสองักสามนาะทสีสี่นาะที โดยสาบจริงๆก็ว่าอาหางสุขีโตโหมิเนี่ยน้อมใจทำเมตตาจิตนะทำความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาอนแบบจับจิต จ, จ, จ, จับใจให้เกิดขึ้นในใจตนเองทำจิตโปร่งโล่งเบาทำเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงตนเองว่า ยังเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนให้กับอัตภาพในในกระแสชีวิตของตนเองรกักรักในตัวเราเองมีความรักความปรารถนาดีส่งเมตตาจิตให้กับตัวเองว่าขอให้ขา้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดปรารถนาให้ความสุขกายเกิดขึ้นกับตนเองความสุขใจเกิดขึ้นกกบตนเองและก็ความปลอดภัยเกิดขึ้นกับตวเอง ขอให้ข้าพเจ้าสุกกายสุขใจและปลอดภัยขอให้ข้าพเจ้าสุกกายสุขใจและปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายนืมนสิกาขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความสุขกายสุขใจและความปลอดภัยจงบังเกิดมีแก่กระแสชีวิตแก่อัตภาพของข้าพเจ้านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขได้กุศลและสุขเกิดขึ้นกุศลและสุขทุกระดับ เพื่อวางฐานแก่การเข้าถึงบรมสุขคือพันิพานขอความสุขทั้งหลายความดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทํามาทั้งหมดบรารมีทาทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาทั้งหมดขอคุณความดีเหล่านั้นมาประชุมในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้านั้นอยู่กับความดีความดีรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักษาความดีเหมือนล่มเหมือนฉัด ที่ป้องกันแดดและฝนไม่ให้อัฐภาพเปียกฝนหรือก็ร้อนด้วยแสงแดดเมให้ฉันใดขอกุศลความดีทั้งหลายจงคุ้มครองกระแสชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขดำเนินชีวิตไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานขอให้ข้าพเจ้าจงเขามีความสุขเถิดให้มนัสสิการเหมือน ให้พรตัวเองให้สิ่งดีๆแกตัวเองความดีทั้งหลายที่ทํามาทั้งหมดจองค้มครองกระแสชีวิตเนี่ยให้ข้าพเจ้าจงบนพิมุนมีความสุขโดยเฉพาะกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนี้เจตนาที่เป็นกุศลคุณความดีที่เป็นกุศลเมตตาธรรมที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้ความรากักความปรารถนาดีแกต่ตนเองที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้ตอนเนี้ยกระแสของกุศล และทำทั้งหลายนี้กำลังคุ้มครองตัวเมตตาเกิดขึ้นความไม่โกรธเกิดขึ้นความอดทนเกิดขึ้นแม้เวทนาขันก็สุขไปด้วยแม้สัญญาขันก็สุขไปด้วยแม้กลุ่มสังขารละขันอื่นๆก็สุขไปด้วยแม้อัตภาพร่างกายก็มีกุศลกิจชรูปปกคลุมทั้งหมดตอนนี้ ปราถนาความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนเองแบบนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเกิดขอให้กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปอย่าให้กระแสชีวิตของข้าพเจ้ากระแสยีวิตข้าพเจ้าจงงดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือ โลภโกรธและหลงทศจริต ท, ทั้งหลายเวรภัยทั้งหลายจงหมดสิน้นจากกระแสชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับใครๆอีกเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับใครๆอีกเลยเวรภัยอันตรายทั้งหลายบา ป, ปรกรรมทั้งหลายกระแสชีวิตนี้ขออย่าได้ไปแปดเปืเป้อนบาปอคุโสลกรรมและเวรภัยเหล่านั้นอีกเลยขอให เวรภัยเหล่านั้นจงอันตรธานบาปเหล่านั้นจงอันตรธานอากุศลเหล่านั้นจงอันตรธานทศจริตเหล่านั้นจงอันตราธานจากกระแสชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายพยาบาทจิตโทสะจิตอย่าได้ไหลเข้ามาสู่กระแสความคิดของข้าพเจ้านับตั้งแต่ขณะนี้นเป็นต้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่าได้มาเกลือกลัว้วอย่าได้มากร้ำกลายคอยข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยความทุกกายอย่าได้มีความทุกใจที่เป็นบาปอากุศลโทมนะทั้งหลายอย่าได้มีครับพเจ้าจะทําสติปิดกั้นบาปอากศุศลกรรมมันชั่วร้ายให้หลุดลอยไปจากกระแสชีวิตให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลย ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายให้พ้นจากราคาโทสะโมหะให้พ้นจากทุจริตทั้งหลายซึ่งเป็นอันตรายภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในขออันตรายเหล่านั้นจงอย่าเกิดมีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษากะระแสชีวิตให้พ้นจากอันตรายภายในฆ่าศึกภายในเพชฌฆาตภายใน คือบาปอาุกโศลกรรมทั้งหลายทุจริตทั้งหลายจงอย่าเกิดอย่ามีในกระแส ช, ชีวิตนี้อีกข้าพเจ้าจะใช้สติป้องกัน ร, รักษาไว้ไม่ให้บาปไหลเข้าสู่จิตและจะรักษาคุณความดีศรัทธาวิริยะเป็นต้นนี้ไว้และจะเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะทำเมตตาเนี่ยให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องให้เจริญพิญโยภาพ ภัยบูดยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความตั้งใจดีขอกุศลคุณความดีขอคุณของพระรัตนไตรรักษาคุ้มครองกระแสชีวิตของข้าพเจ้าํำให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาในการฝึกฝนเมตตาธรรมให้เกิดให้มีขึ้นจนสามารถเป็นผู้อยู่กับเมตตาได้ตลอดไป ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งก้าวไปถอยกลับจงมีเมตตาจิตเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในทุกกิจกรรมในทุกที่ในทุกสถานที่ขอให้เมตตาจงเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องและมีพลังมากขึ้นมากขึ้นข้าพเจ้าจะรักษาเมตตาไว้รักษาสภาพกุศลแจิตที่มีเมตตาเป็นประธานไว้จะยังความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนให้เกิดขึ้น แล้วก็จะทำเมตตาให้เจริญไพบูร์ยิ่งยขึ้นไปจะไม่ประมาจะรักษาไว้แล้วก็ให้เหตุปัจจัยทำเมตตาให้เกิดขึ้นจนพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้จงได้พ้นจากอันตรายคือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นให้ได้จนเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงให้ได้ขอพระรัตนตรยัยขอความปรารถนาดีของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสมฤทธิผลโดยเร็วโดวยวันโดยโดยเทิน ให้ยอมตั้งใจอย่างนี้สักพักหนึ่งนะยม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 ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเยรยรยพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุ ญ, ท, บญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจนถึงบทอันกเกษมกราวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุ กลับเรียนท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้พาพวกเราเนี่ยได้ตั้งจิตปรารถนาในการที่จะทําเมตตานะคะในในทุกๆด้านแล้วทีนี้โยมอยากจะกลาบเรียนถามหรื อ, ข อ, ข, อขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ว่าต่อจากนี้ไปที่โยคียจะต้องอ ข, ยขยับขยื้อนเคลื่อนกายไปจากห้องนี้เพื่อจะเดินไปในยบทเดินเพื่อไปทานอาหารนะค ะ, ะในยบทต่อตอไปเนี่ยโยคียจะใช้ คำพูดใดที่จะให้เมตานั้นหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาสั้นๆง่ายๆอยู่ตลอดเวลาจ้าคะก <c oughs> <c oughs> ็คือคือจริงๆเวลาเราจะใช้มงมีบางที่เวลาใช้เดินจงกรมใช้เดินจงกรมใช้ใช้คำบริกรรมเมตตาได้อย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าเท้าที่ยกขึ้นเนี่ย สุขกายเวลาเท้าเสือกไปข้างหน้าสุขใจพอเท้าถึงพื้นก็บอกปลอดภัยสุขกายสุขใจและปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้คือจริงๆในที่นั้นก็คือการการทำเมตตาเกิดขึ้นในใจสุขกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัย น, นก็คือเป็นคำศัพท์ที่ตัดออกมาจากการแผ่เมตตาเนี่ย เวลาเราจะไปทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้การที่เราจะให้เมตตาเกิดเนี่ยบางทีบางทีมันไม่ออกไอคาบริกรรมมันยังช่วยได้ตรงนี้บางทีมันมันไม่รู้จะออกยังไงก็เลยต้องบอกว่าที่จริงสุกกายสุกใจเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุกกายสุกใจนั่นเองและจงปลอดภัยตรงนี้สุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัย หรือเราคิดถึงคนอื่นก็ปราถนาให้คนอื่นสุขกายสุขใจและปลอดภัยคิดถึงตนเองก็ขอให้ตนเองสุขกายสุขใจและปลอดภัยสับอย่างเงี้ยสับง่ายๆแบบนี้สามารถที่จะเอามาใช้ในในในการบริกรรมได้เหมือนเหมือนเหมือนบางทีการนั่งแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกันบางที่บางแห่งก็จะใช้คําว่า หายใจเข้าธรรมดาปกติเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูลมหายใจนะแต่จริงก็มันก็รับรู้กันทั้งหมดนะีแต่เขาบางทีก็ใช้คําว่าสุกกายสุกกายองี้สุกใจสุกใจหรือบางทีก็ปลอดภัยปลอดภัยองีนน้ก็คือทั้งหมดเหล่านี้ก็คือนึกถึงนึกถึงให้ตนเองเข้าถึงความสุขกายสุขกาย ส, สุขใจยังไงเวลาเป็นนึกระน้อมจิตนึกถึงคนอื่นก็ไปในลักษณะนี้เหมือนกันฉะนั้นประโยคง่ายๆอย่างเนี้ยเอาใช้ได้นะ ที่เราอยู่ที่นี้เราใช้คำว่าสุกกายสุขใจปลอดภัยใช้ใช้คำพูดอย่างนี้เป็นตัวนาล่องได้ในขณะที่เราจะไปกินอาหารทำกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้บริกรรมสิ่งเหล่านี้ให้ติดต่อและต่อเ น, นื่องพอไหวไหม <Okay. S 1> สุกกายสุขใจและปลอดภัยสุกกาสุขใจบทเรช้ภาษาง่ายๆแล้วให้เมตตาออกมาจริงๆที่สำคัญอยู่ตรงนั้น ให้ปรารถนาความสุขกายแก่ตนเองจริงๆให้ความให้ปรารถนาความสุขใจซึ่งเป็นกุศลและตัวรสนิกุศลศีลกุศลธรรมจริงๆและปรารถนาให้ตนเองปลอดภัยจากอันตรายภายในอุปสรรคภายในมีกิเลสเป็นต้นข่าศึกภายในศัตรูภายในอันตรายภายในเนี่ยก็คือกิเลสเวลาน้อมถึงคนอื่นก็เหมือนกันให้เขาสุขกายสุขใจและปลอดภัยให้เขากลายเป็นสุข ใจก็เป็นสุขด้วยกุศลให้เขาปลอดภัยจากอุปสรรครือเพชฌฆาตคือกิเลสที่มันกุมรวมกระแสชีวิตเขาคิดถึงตนเองก็สุขกายสุขใจปลอดภัยคิดถึงคนอื่นก็ปราถนาให้คนอื่นสุขกายสุขใจและปลอดภัยไหวไหมเจ้าค่ะยาวไปไหม <c oughs> ไม่ไม่ยาวนะไม่ยาวนะคะ ถ้าไม่ถ้ายาวดเดี๋ยวตอนบ่ายมาหาสั้นกว่านี้อีกอตอนนี้นะคิดตรองไม่ได้งั้นก็ลองบริกรรมไปนะใส่ใจไปทั้งหมดเะไนี้ก็คือผักเอาเมตตาออกมาให้ได้เอาเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพียรพยายามกอดลัดวัดเวียงให้เมตตาเกิดขึ้นให้ได้แล้วท่านทั้งหลายจะได้ความสุข จำค่ะนั้นในเบื้องต้นพิเียดนี้พวูโยมก็น้อมรับนะคะคำบริกรรมขอให้ข้าพเจ้าสุข ก, กายสุขใจปลอดภัยนะคะตลอดเวลาจากนี้ไปเจ้าค่ะนั้นกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะเชิญโยคีทุกท่านกราบขอพระคุณท่านอาจารย์พร้อมกันค่ะนั่งให้ถูกระเบียบด้วยค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะกราบ กราบณขนานดนี้ภาวนาในใจนะคะพนมมือไว้ภาวนาในใจขอให้ข้าพเจ้าสุขกายสุขใจปลอดภัยพนมมือน้อมส่งท่านอาจารย์ก่อนนะคะ ภาวนาในใจไว้เรื่อยๆเลยนะคะ